เจริพท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็เจริญพรท่านสาธาชนที่มานั่งรอตรรมภาพตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงตอนนี้เก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีทุกคนก็ยังรอนี่ถ้ามองในแง่ดีเรียกว่าเราบำเพ็ญขันติธรรมเพราะฉะนั้นตรรมภาพเชื่อ ว, ว่าทุกท่านก็คงม อ, องโลกในแง่ดีเหมือน ว่าพระอาจารย์เปิดให้บำเพ็ญขันติธรรมกันเต็มที่ก <c oughs> ็ <c oughs> ขอชี้แจงนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดถึงเรื่องพุทิยมรณสติสูตรหรือชื่อในภาคภาษาไทายวันศบตากับความตายอัตนาภาพรับงานบรรยายที่นี่ล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือนนะล่วงหน้าที่ทางยุปพุทธได้นิมนต์ไปที่นี้ต่อมาทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ออกตารางสอนมา ปรากฏว่าเวลามันตรงกันวันนี้ก็เลยต้องแวะไปที่มหาชุลาก่อนเพื่อไปพบนิสิตเขาเปิดมาได้สามอาทิตย์และอาจารย์าพเพื่งมีเวลาเข้าห้องเรียนเพราะว่ามัวไปเข้าห้องเรียนข้างนอกห้องเรียนข้างนอกมันกว้างกว่ามากไปบรรทุกคนทุกแห่งแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้เข้าไปห้องเรียนข้างในในตึกหลังเล็กๆแล้วก็ห้องเรียนแคบๆ แต่ที่นั่นเป็นคุ้มครังของนักปราราชบัณฑิตทุกคนที่มาเรียนพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยต่อไปจะเป็นทรัพยากรบุคคลชั้นนําทางด้านพระพุทธศาสนาทั้งนั้นดังนั้นวันนี้อาจารยก็จึงแวะไปพบปะนิสิตนักศึกษาแล้วก็มอบหมายงานอันที่น่าเป็นต้นไปถึงจะเริ่มสอนกันอย่างจริงจังมอบหมายงานเสร็จแล้วก็จึงมาที่นี่ ประวัตินี้ก็เป็นเอกห้องเรียนหนึ่งซึ่งมีความสลักสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเพราะว่าทุกทุกท่านก็เป็นหน่วยที่สําคัญมากๆขององค์กรที่ตัวเสังกัดเพราะฉะนั้นคนทุกคนถ้ามองผ่านสายตาของธรรมะไม่มีใครไม่สําคัญเกิดมานี้สําคัญหมดเลยอัตมาพา่อเคยอ่านประวัติของหมอชีวกโกมารพัฒหมอชีวกโกมารพัฒนนี่หนีพ่อแม่หนีแม่ ไปเรียนหนังสืออยู่ตั้งเจ็ดปีพูดยังไๆว่าเรียนแพทย์จนเซ็งก็ไม่จบเข้าไปหาครูบอกว่าครูครับเมื่อไร่ผมจะจบผมเรียนมานานเหลือเกินตั้งเจ็ดปีคิดถึงบ้านครูก็บอกว่าถ้าเธออยากจบนะเธอไปทำวิใจัยในรัศมีประมาณสิบหกโยชน์โยนหนึ่งสิบหกกิโลเมตร เธอไปวิจัยมาว่ามันมีายาชนิดไหนไม้ต้นไหนที่ใช้ใช้ปรุงเป็นยาไม่ได้หรือพืชพันุ์ชนิดไหนที่ไม่มีสรรพคุณทางตัวยาเธอไปวิจัยแล้วมาบอกฉันนักศึกษาแพทน์นมชื่อชีวกรมรารพัฒหายไปเป็นเดือนกลับมามือเปล่าเพื่อนๆก็รอสมนำหน้าหวัดดูซิมามือเปล่าเห็นมีอะไรในที่สุดหมอนี่ก็ไม่จบแต่พอไปรายงานอาจาจรย์อาจารย์ครับ ผมพิสูจน์แล้ววิจัยแล้วตลอดรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยของเราไม่มีพืชพันธุ์ชนิดไหนที่ไม่มีสรรพคุณทางตัวยาหญ้าทุกเส้นไม้ทุกต้นเอามาปรุงเป็นยาได้หมดเลยครับอาจารย์อาจารย์เรียกร้งเสียบมาและตบไหลบอกว่าดีมากนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของฉันเธอเป็นนายแพทย์โดยสมบูรณ์ แกันของตรงนี้อยู่ตรงไหนหญ้าทุกเส้นไม้ทุกต้นไม่มีชนิดไหนเลยที่ไม่มีสรรพคุณในทางเป็นตัวอย่างนี่ขนาดพืชพันธุ์นะท่านทั้งหลายทิ้งไม่ได้เลยแม้แต่ชนิดเดียวความข้อ น, นี้ฉันใดเราท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในหอประชุมนี้ก็เช่นเดียวกันคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้น ไม่ว่าธรรมภาพจะสอนหรือบรรยายที่มหาสนเจอะไรก็ดีบรรยายที่นี่ก็ดีอานธรรมภาพตระหนักดีว่าคนทุกคนที่มาฟังเราคือคนสําคัญทั้งหมดแท้ที่จริงพระนักเทศหรือนักบรรยายทุกคนควรจะตั้งเจตคติอย่างนี้เอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะแสดงธรรมแก่ใครต้องแสดงด้วยศักยภาพที่มีทั้งหมดพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าในการแสดงธรรมของพระองค์นั้นพระองค์แสดงเหมือนราชสีจับหนู คือยังไงราชสีไม่ว่าจะจับเสือจับช้างหรือแม้แต่จะจับหนูตัวเล็กๆพกลังกาลังของราชาสีมีเท่าไหร่ศักยภาพในการจับสัตว์ของราชสีมีเท่าไห ร, ร, ร, ร, ร่จับช้างกับจับหนูใช้ศักยภาพเท่ากันไม่เคยทําอะไรด้วยความย่อหย่อนหรือดูถูกดูมหมิ่นเลยดังนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ห้าค น, สนแสดงเป็นศักยภาพหรือสแสดงแก่ชาวเมืองพันคน พระพุทธเจ้าแสงดงเต็มศักยภาพไม่มีย่อไม่มีหย่อนนะเพราะอะไรทรงตระหนักว่าคนทุกคนก็เป็นคนสําคัญเช่นเดียวกับยาทุกชนิดไม้ทุกต้นนี้เป็นหลักใหญ่ใจความของคนที่จะทํางานเพื่อสังคมว่าถ้าเราคิดจะทํางานเพื่อสังคมไม่ว่าจะชนิดไหนหๆก็าตามต้องทําให้สุดจิตสุดใจอย่าทำเล่น ไม่จะเห็นญาณโยมห้าคนเอาละวันนี้เราจะแสดงเป็นวิกเล็กเล็กสบายสบายความรู้มีต่อมากก็ได้เพราะญาณโยมไม่สําคัญเท่าไหร่แต่พอคุณหญิงคุณนายมาหลวงพ่อเล่นเต็มที่อย่างนั้นไม่ถูกอันนี้ก็นํามาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าจากการนี้ท่านทั้งหลายได้มานั่งฟังที่นี่หลายคนกลับออกไปอาจจะกลายเป็นนักพูดก็ได้เป็นนักเผยแผ่ก็ได้เพราะฉะนั้น ถ้าเราได้ขึ้นมาทํางานตรงนี้ขอให้ทําอย่างเต็มที่เต็มตามศักยภาพของเราอย่าได้ดูถูกดูมิ่นคนฟังว่าเป็นคนทั่วไปไม่ใช่นิสิตนักศึกษาปัญญาชนขอให้ถือหลักว่าคนทุกคนสําคัญที่สุดแล้วปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นอย่างดีที่สุดเหมือนหนึ่งที่เราอยากให้เขาปฏิบัติต่อตัวเราเองทีนี้มาเข้าเรื่องทุติยมรณะสติสุรอัตมาภาพให้ชื่อภาษาไทยว่าสตากับความตาย ครั้งที่แล้วได้เล่าภาพมุมกว้างถ้าเป็นมุมมองก็เรียกว่ามองอย่างนกให้เห็นหมดแล้วว่าทําไมเราจรึงต้องมาเจริญมรณสติทําไมเราจรึงต้องมาเรียนเรื่องการตายก่อนตายวันนี้เราก็จะมาต่อยอดกันอีกเพราะอะไรก็เพราะว่าพระสูตรที่ว่าด้วยมรรณสติสูตรนี้มีสองสูตรสูตรแรกเรียกว่าปฐมมรณสติสูตรแต่ว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการถ้ลึกถึงความตายสูตรที่หนึ่ง ยังไม่จบก็มีสูตรที่สองเรียกว่าทุติยมอรณสติสูตรแปล ว, ว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการระลึกถึงความตายสูตรที่สองพระพุทธเจ้าทรงแสดงสูตรนี้ที่คิชกาวาสถารามในนาทิกคามสาระสําคัญนี้ว่าอย่างไงคือพระพุทธเจ้าตรัดเรียกพิสูจน์ทั้งหลายมาแล้วก็ทรงแสดงวิธีเจริญมรณสติปฐมมรณสติสูตรพระพุทธเจ้าเรียกพิสูจนทั้งหลายมาชุมนุมกันแล้วถาม ว่าเธอจเจริญมรรคสติกันอย่างไรและแต่ละลูกก็เล่าถวายจากนั้นพระองค์ก็สรุปแต่พอมาถึงตอนส่วนนี้เนี่ยไม่ได้ถามใช้วิธีการใหม่ซึ่งเรียกว่าการบรรยายพระพุทธเจ้าเวลาจะสอนคนเนี่ยจะทรงเลือกสรรใช้วิธีการซึ่งแตกต่างหลากหลายมากๆบางทีก็บรรยายบางทีก็ถามตอบบางทีก็ให้พิกษุเสวนาหรือปุจธากันเองแล้วพระองค์ก็สรุป บางทีก็ให้พระสารีบทพระมหาหมกขลานะสอนแทนพระองค์และพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะฉะนั้นวิธีการที่พระพุทธเจ้าใช้นั้นจะหลากหลายมากๆขึ้นอยู่กับ ว, ว่าวิธีการไหนจะสื่อได้ดีที่สุดเช่นเดียวกันพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการแบบบรรยายชั้นแรกเนี่ยทรงบอกว่าการเจริญมรรคสติ น, นี้มีหลายวิธีแต่วิธีที่เจริญแล้วเนี่ยพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วจะมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะ มีอ ม, มาตะเป็นที่หมายนี้เป็นอย่างไรอ ม, มาตะคืออะไรถ้าแปลความตามตัวอักษรก็คือความไม่ตายแต่แปลเอาความหมายแท้ๆก็คือนิพพานนั่นเองสิ่งที่ไม่ตายคือนิพพานเพราะสถิตยอยู่ตลอดกาลไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้โลกจะ ย, ยังอยู่หรือไม่อยู่นิพพานยังอยู่เสมอนี่จึงเรียกว่าสิ่งที่ไม่ตายที่แท้จริงก็คือพรนานนิพพาน หมายความว่าการเจริญมรณสติตามแนวที่พระพุทธองค์จะทรงแนะนําต่อไปนี้นั้นถ้าทําเป็นแล้วเนี่ยเป็นบันไดไต่ไปสู่พระนิพพานได้จากนั้นก็ทรงแสดงสาระสาคัญของการเจริญมราณสติว่าเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในร่มของพระธรรมวินัยนี้พึ่งเจริญมราณสติทั้งกลางวันกลางคืนโดยพิจารณาว่าเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราตายมันมีเยอะเหลือเกินอะไรบ้าง รอบองศาท่านหนึ่งอาจจะถูกงูกัดสองอาจจะถูกแมงป่องต่อยสามอาจจะถูกตะขาบกัดสี่อาจจะหกล้มห้าอาหารอาจไม่ย่อยหกดีอาจกำเริบเจ็ดเสมหาอาจกำเริบแปดลมเสียแทงกำเริบเก้าถูกมนุษย์ทำร้ายสิบถูกอาหมนุษย์ทำร้ายแล้วก็สิบเอ็ดให้พิจารณาข้างในว่าในใจของเรานี้ยังมีกิเลสอยู่หรือไม่ ที่จะเป็นเหตุให้เมื่อปกปปับตายขึ้นมาเนี่ยไปเกิดในทุกขตินี่ก็ส่งแน่ให้มองกว้างมองไกลๆมองอย่างหลากหลายแต่ว่านี่เป็นเหตุแต่จะเห็นความตายในสมัยพระพุทธเจ้านะท่านยังพูดถึงงูกัดแรงกลมต่อยตะขาบขบหรือ ก, กัดหกล้มอาหารไม่ย่อยดีกรรมเริ่มเสพหากรรมเริ่มลมเสียแทงกรรมเริ่มมนุษย์ทำรอามนุษย์ทำร้าย เราจะเห็นว่านั่นคือสภาพแวดล้อมสมัยพุทธกาลเหตุแห่งการตายมันยังไม่ซับซ้อนหรอกเพราะอะไรพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ป่าก็เสี่ยงต่อการที่จะถูกงู ก, กัดถูกนังป่องต่อยถูกตะขาบกัดหรือไม่กบหกล้มฉันแล้วอาหารไม่ไหวก็ตายกันนี่นี่เรียกว่าเป็นเหตุหปัจจัยในสมัยก่อนมาเหตุปัจจัยในปัจจุบันอาจารย์าพได้อ่านข่าววันก่อนมีมีนิสิตคนหนึงหน่ง เยาวชนแล้วกันไปร่วมรายการคุณสรยุทธใช่ไหมกลับออกมาขึ้นรถประจำทางพลาดจกรถเมล์ตายอย่างหน้าห น, นักออกจากบ้านมากลับบ้านไม่ถึงบ้านตายกลางทางกลางกรุงเทพด้วยนี่คือเหตุปัจจัยในเหตุปัจจัยแห่งการตายของชีวิตคนเมืองปัจจุบันนะย้อนไป เด็กคนหนึ่งใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ดีๆโทรศัพท์ระเบิดนี่ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเลยนะเพราะอะไรเนี่ยถือติดหูอยู่เนี่ยหรือใช้คุยทุกวันคุยมากมากท่ามกลางความสุขมันจะพ่วงความทุกข์มาโดยเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งอีกจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ก็มีการเตือนเือนกันเอาไว้อย่างนั้นเหตุปัจจัยที่จะตายมันเยอะนั่งรถเพาะรักอยู่กับคนรัก ทั้งคืนตอนช้ามาตายแต่แล้วก็มีเพราะอะไรเหตุปัจจัยมันเยอะไงสารพิษในรถบ้างเปิดแอร์แล้วลืมปิดบ้างหรือปิดแล้วก็ปิดแอร์แล้วก็ปิดกระจกบ้างขาดอากาศหายใจแม้แต่เด็กๆมีคนเอานมไปแจกแล้วนมบูเข้าวโรงพยาบาลกันครึ่งโรงเรียนก็มีดูสิ เหตุปัจจายที่จะตายมันเยอะเหลือเกินหรือท่านทั้งหลายซื้อผักซื้อผลไม้มาทานสีสันสดใสแต่ข้างในเจือสารพิษไม่ตายทันทีแต่ตายผ่นสงผักผลไม้ที่เขาเอามาวางขายกับที่เจ้าของสวนกินนะคนละเกรดกันนะที่เจ้าของสวนจะกินนั้นแมลงกินได้ด้วยที่จะมาขายในไซส์มแมลงไม่แตะไม่ต้องโอ้โหหน้ากินจริงๆแต่กินเข้าไปเดี๋ยวตาย เมื่อแรงมันยังไม่กินเลยไงนี่มันเยอะขนาด น, นี้เหตุปัจจัยจะเดินทางขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวเครื่องบินตกบลมอากาศตกตายอีกทุกครั้งที่เดินทางโดยขึ้นเครื่องบินอนตำนานก็คิดในใจว่าที่ตัดสินใจขึ้นเนึ่งคือคิดว่าพร้อมจะตายไม่ต้องห่วงถึงอะไรที่จะมาช่วยหรอกถ้ามันตกก็ตายน่ะเพราะฉะนั้นก็ทําใจไว้ตลอดนะคิดดูสิว่าเราอยู่ตรงไหนที่ความตายมันจะไม่มาเบียดเบียน อ่านังสือทิมอยู่ดีวันหนึ่งอะนังสือทิมบาดมือชีวิตมันตรอบางยิ่งกว่าแก้วจริงๆนะกระดาษบางๆยังบาดมือเราได้น่ะเคยคิดไนะเนี่ยมันมันแสดงสัจธรรมเลยนะใครว่าชีวิตมันยิ่งใหญ่อาหางการยโสอโอหังนี่ถูกหนังสือทิมบาดมือเนี่ยรู้ซึ้กเลยนะกระเทือนถึงในใจเลยคือมันเห็นสัจธรรมว่า โอ้โหแม้แต่สิ่งที่มองเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยมันก็ทำร้ายเราได้นะใช่ไหมวันก่อนอ่านข่าวเศรษฐีวัยเดึกไปนอนกับคู่รักแล้วก็ตายคาโรงแรมม่านรูดดูสินะ่ลูกหลานไม่รู้เลยว่าพ่อหายไปไหนรูกที่เป็นศพทางนั่นหนึ่งถังซีพิมแล้วนี่ก็ออกไปหาความสุขแต่ปรากฏว่าไปตาย นั่งทานข้าวอยู่ดีๆก็ตายได้นะถ้าสำลักเข้าไปอาบน้ำล้มหัวฟาดขอบอ่างน้ำก็ตายได้หรือเหมือนเจตินีสาวอทิ่ทานทุเรียนแปดเม็ดคนเดียวอร่อยมากๆทานเสร็จแล้วก็หายใจไม่ออกเลยก็ตายตายท่ากลางลงทุเรียนที่ทานอยู่นั่นแหละ นี่คือเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุปัจจัยร่วมสมัยหรือมีเด็กบางคนที่ไปเปิดเว็บไซต์ท่องอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เว็บไซต์เนี่นยมีไหมกระทั่งแนะนําให้ฆ่าตัวตายด้วยนะคิดดูยิ่งนึกว่ามันเป็นเรื่องที่แก้วหน้าทำสมัยแล้วไม่มีอันตรายนะ่ะในนั้นแหละหนักหนาสานัสเลยนะ่อันตรายเนะ่ะมาถึงเรือนชานบ้านช่องเลย คุณจะตายแบบไหนคุณไปเลือกเอาเลยวิธีการตายเดี๋ยวนี้หรือบางทีฆ่าคนเสร็จแล้วเขาถ่ายทอดให้ดูทางอินเทอร์เน็ตด้วยคนก็เห็นกันทั่วโลกโอโหตายแบบนี้มันเท่นะก็ตายตามดังนั้นจะเห็นว่าเห็นบรรจัยการตายเยอะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีสะพานอยู่แห่งหนึ่งเนี่ยทุกๆปีจะมีนิสิตนักศึกษาไปตายกันเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสอบข้าวมหาวิทยายลัยแล้วสอบไม่ผ่านกันเนี่ยต้องจับเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสะพานที่นั่นนะเพราะอะไรเป็นที่ที่นิสิต น, นักศึกษาสอบตกเลือกที่จะไปกระโดดน้ําตายหรือบางทีมีดารานักร้องตายอย่างที่เกาหลีเนี่ยดาราคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ฆ่าตัวตายก็มีในรุ่นฆ่าตัวตายตามเมฆหลายคนเราจะเห็นว่าเหตุปัจจัยใกันตายนอกจากจะเป็นการตายโดยธรรมชาติแล้ว มันยังมีการตายเพราะมีค่านิยมที่ผิดๆ ด, ด้วยคุณเห็นคนอื่นฆ่าตัวตายหรือทําอะไรตายแล้วมันรู้สึกว่ามันเท่ดีิตายตามนอกจากนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยที่เกิดจากการใช้สารเคมีปลอมปนมาในข้าวปลาอาหารพืชผักผลไม้ต่างๆต่อมาก็เป็นเหตุปัจจัยที่เกิดจากการเดินทางการแข่งขันการทํางานรูปแบบการหาความสุขชนิดแปล ก, ปลกๆของคนเมืองทั้งหลาย ทำให้คนเรามีอายุสั้นอยู่นี้อายุสั้นเร า, า จ, จะไม่ถึงเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้ว่ามาตรฐานของคนในยุค ข, ของพรคือร้อยปีมากกว่านั้นก็ไม่น่าจะเกินร2อยี่สิอย่างพระมหากรส ป, ปะนี่แหละท่านทั้งหลายจะเห็นว่าชีวิตเปราบางและเหตุปัจจัยแห่งการตายนั้นแวดล้อมเราเต็มไปหมด อตาตมาภาพเคยพูดให้ฟังถึงกวีนิพนธ์บทหนึ่งที่บอกว่าคนไม่ถึงที่ตายไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข่นฆ่าไม่อาสันแม้นคนถึงที่ตายวานชีวันไม้จิ้มฟันที่เหนือยังเสีอตายทานข้าวเสร็จแล้วนั่งจิ้มฟันยังตายได้นะสมัยอตาตมภาพเป็นเนน้อยมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นพระจำวัดเสร็จแล้ว ไม่ตื่นอีกเลยเพื่อนของอาตมาภาพนอนใต้เตียงหลวงพี่องค์นั้นนอนกันจนถึงเจ็ดโงเช้าลูกพี่ไม่ตื่นเล่นน้อยก็ไม่ตื่นก็นอนกันอยู่อย่างนั้นอ่ะข้างบนแข็งแล้วเย็นชื้ดเลย ถ, ถึงเวลาจะไปบินนบาดหลายรือก็มาเรียกพระรือนนั้นจับเท้าได้ก็คันเหา่ ขยาวยังไงไม่มีปฏิกิริยาเลยเลิกพักหงออกดูปรากฏว่าเย็นชื้นเลยพอเน้นน้อยรู้ว่าหลวงพี่ที่นอนอยู่บนเตียงเน่ยตัวเองนอนอยู่ข้างล่างตายเท่านั้นแหละตะลีตะลาออกมาเลยแล้วนอนบนกุฏิหลังใหญ่ไม่ได้อีกเลยเพราะอะไรเพิ่งรู้ว่าตัวเองนอนกับผีมาทั้งคืนกลัวกลัวครูบาอาจารย์ดูซิเนี่ย เห็นแม้ว่าแม้จะเป็นพระหลับอยู่นะตายได้ดูทีเหตุปัจจัยมันอาจารย์พรรู้จักพระเลขาเจ้าคณะอำเภอรูปหนึ่งท่านเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันถามมาทําไมเป็นพระไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตปรากฏว่าท่านมีปัญหาต้องไปโรงพยาบาลเป็นประจำบางครั้งก็วูบเพราะอะไรเมื่อเป็นพระเลขาก็ต้องทํางานสนองเจ้านาย คือหลวงพ่อเจ้ า, าคณะเือครั้งหนึ่งท่านให้พิมพ์จดหมายพิมพ์จดหมายฉบับเดียวใช้เวลาหนึ่งวันแก่ห้าครั้งเอาฉบับไหนไปให้ดูก็ไม่ถูกพระเด็จพระคุณสุดท้ายพอฉบับที่ห้าไปดูหลวงพ่อบอกใช้ไม่ได้พับเลยไปนอนอยู่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์เกือบยื้อชีวิตไว้ไม่ได้เพราะอะไรเป็นโรคหัวใจ ใครก็ตามที่ทํางานแล้วมีเจ้านายซึ่งอารมณ์แปรปรวนก็จะรู้ดีว่าสิ่งนี้มันมีผลมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นอาตมาภาพประกาศเลยชีวิตนี้จะไม่ขอมีเจ้านายอีกแล้วรู้เลยคือบางทีเรานี่สภาพจิต ด, ดีทุกอย่างตื่นเช้ามาอู้สบายพอไปหาเจ้านายเจ้านายอารมณ์เสียเท่านั้นเองมันมีผลต่อเลขาเลยนะใช่ไหม สมัก่อนเดือนหนังสือพระลูกวัดของวัดที่ตำหนัอยู่เนี่ยมีเป็นร้อยแต่วันไหนถ้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสอารมณ์เสียนะวันนั้นทั้งวันมันจะเสียทั้งวัดนะเพราะอะไรท่านไม่ได้เสียรูปเดียวนะทําวัดเสร็จท่านก็คว้าใหม่มาเลยมันอะไรกันนักกันหนาแล้วก็ว่าไปชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะโอ้โหทั้งวัดทั้งวันทําวัดกลับลงมาเนี่ย บรรยากาศมันอึมครึมเหมือนเมฆมันครื่นจะตกก็ไม่ตก่ะไม่มีใครกล้าเดินผ่านหน้ากุฏิไปฉันก็ไม่มีใครกล้าไปนั่งใกล้ๆอ่ะคุณพ่อก็บอกผมเป็นเสือหรื อ, อยังไงก็ไม่มีใครเห็นว่าท่านเป็นเสือหรอกแต่มันหน้ากลัวยิ่งกว่าเสือนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเนื้อที่ทําให้คนเราหัวใจวายนะ่ะเจ้านายที่อารม์แปรปรวนเนี่ย เพราะฉะนั้นใครเป็นนายของฝากบอกไว้ด้วยว่าเห็นใจลูกน้องบ้างอารมณ์ของเรากระเทือนถึงอารมณ์ของเขาแล้วอารมณ์ของเขากระเทือนถึงลูกเมียของเขาใช่ไหมลูกเมียงเขาถ้าไปอยู่ในสังคมกระเทือนถึงคนที่อยู่ในสังคมกระเทือนกันหมดตอนเป็นเ ด, เด็กเคยเรียนหนังสือแล้ววิชานาฏศิลป์ในมิโกคนหนึ่งเป็นคนที่อารมณ์ร้ายมากมากเลยสอนั้น นักเรียนทำไม่ได้โตรดครั้งหนึ่งเทปกระเซศเสียครู ด, ดึงเทปกรสเซศออกมาแล้วปาลงพื้นห้องเรียนด้วยโทรศัพทแตกละเอียดเลยตั้งแต่นั้นมานักเรียนทั้งห้องกลัวครูคนนี้ไปตลอดจนแม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นเวลาล่วงเลยมาสิบกว่าปีแล้วนะ่ะลูกศิษย์ทั้งหลายก็ยังไม่สนิทใจกับครูเลยเพราะอะไรเห็นทิศส่งของทอร์นาโดลูกนั้นแล้วนี่แหละ อันนี้เป็นเหตปัจจัยแงความตายนะคือคนที่มีโทสะจริตมากมากเนี่ยตายง่ายนะเพราะฉุนเฉียวตายทางกายภาพไม่พอตายทางสัมพันธภาพคือใครไม่อยังอยู่ใกล้หรอกคนโทสะแรงเน่ะต่อใครก็ไม่ติดโทสะจริตเนี่ยวงพว่อองคไหนก็ดําที่เป็นโทสะแรงเวลาเดินไปหาด้านโยมน่ะทางมันจะแตกออกเลยอ่ะแยกออกแยกออกแยกออกเหมือนพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ที่มีแสงแรงๆใช่ไหมเวลาทรงโกรธทีเนึ่ยโอ้ยคนหลบเข้าใต้ร่มไม้หมดเลยนั่นแหละเจ้านายที่โกรธแรงๆเขาเรียกว่าพระอาทิตย์กําลังทรงตกรธไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แต่คนที่มีเมตตาเรเหมือนพระจันทร์พระจันทร์มีแสงวนวงใหญหมู่ดาวห้อมล้อมเป็นบริวารเต็มไปหมดอบอุ่นนะพระอาทิตย์มีแสงในตัวเองสาดแสงจ้า พระจันทร์ก็หนีดาวก็หายแล้วพระอาทิตย์ก็เหงาอยู่คนเดียวถ้าทั้งหลายเลือกดูว่าจะเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์คนที่ทำตัวเป็นพระอาทิตย์คนไม่สำราญงานไม่สำเร็จคนที่เป็นนายและทำตัวเป็นพระจันทร์คนสำราญงานสำเร็จอายุยืนเพราะฉะนั้นโทสานี่ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเราตายกันได้ไง่ายๆนี้ก็เร่าให้ฟังเป็นความรู้ประกอบ ทีนี้เมื่อเหตุแบบจะเห็นความตายมันมีเยอะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอทั้งหลายเจริญมรณาสตินะเพื่ออะไรการเจริญมรณสตินั้นเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อจะได้รู้เท่าทันธรรมดาสองรู้เท่าทันธรรมดาแล้วใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสามใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้ว เร่งบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีและสี่เมื่อถึงเวลาตายไม่หลงตายห้าเป็นบาตฐานของสมาธิวิปัสสนาชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปหกเป็นหลักประกันของพบใหม่ว่าคนที่เจริญมรรสตินั้นถ้ายังไม่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงเกิดในสุคติแน่นอนเกิดในสุคติแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยกเกิดในสุคติเจริญมรรสติเอาไว้ เกิดแน่ๆพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนําให้พิจารณาความตายโดยที่ว่าเหตุปัจจัยความตายมีมากดังกล่าวมาแล้วจากนั้นก็แน่ให้พิจารณาความตายทั้งกลางคืนทั้งกลางวันกลางวันก็หมั่นพิจรารณากลางคืนก็หมั่นพิจรารณาทุกลมหายใจเข้าออกตรัสรู้ว่าถ้าทําได้อย่างนี้แล้วได้รับผลมากถึงขนาดอย่างลงสู่อมะตะคือเป็น บันไดที่เด็กเข้าไปสูป่พระนิพพานก็ได้พระสูตรนี้ก็จบตรงนี้จบตรงนี้ก็สั้นไปอาจรย์ภาพจึงขยายความเพิ่มขึ้นโดยนํามาวิธีการเจริญมรณสติตามแนวคำพี์วิสุทธิมักมาขยายความพระสูตรสูตรนี้ให้กว้างขวางยิ่งย่งขึ้นในคำพี์วิสุธิมักท่านจะแนะนําวิธีการเจริญมรณสติเอาไว้ด้วยมีหลายวิธีเหลือเกินแต่ารยภาพจะสรุปให้ฟังว่า พระพุทธศาสนา้ใหนแนะนำให้เจริญมรณาสติยังไงหนึ่งท่านบอกว่าให้พิจารณาความตายโดยปรากฏเหมือนเพชคฆาตสองให้พิจารณาความตายโดยวิบัติจากสมบัติสามพิจารณาความตายโดยนํามาเปรียบเทียบสี่พิจารณาความตายโดยเป็นกายสาธารณะแก่หมู่นอนหรือพญาติจานวนมาก ห้าพิจารณาความตายโดยอายุเป็นของทุพพลภาพหกพิจารณาความตายโดยเหตุที่ความตายไม่มีเครื่องหมายเจ็ดพิจารณาความตายโดยมีกําหนดระยะกาลคือชีวิตมีระยะเวลาจํากัดและแปดพิจารณาความตายโดยมองเห็นว่าชีวิตมีขนาดเล็กน้อยทีนี้มาดูข้อหนึ่งพิจารณาความตายหรือเจเริญมมรณสสติโดย ให้วิจารณาว่าความตายนี้เหมือนเพชฌฆาตคุณโยมลองคิดดูการประหารชีวิตสมัยก่อนเอาคนไปนั่งกับหลักมัดมัดมือเอาผ้าแดงถูกตาแล้วให้เพชฌฆาตเงื้อดาบจ่ออยู่ที่คอก่อนจะฟันจเจ้าดาบจ่ออยู่ที่คอเพื่ออะไรกะจังหวะให้เหมาะๆแล้วฟันทีเดียวฉับขาด ทุกวันนี้การประหารเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการยิงเอาคนไปยืนที่หลักมัดตรับศูนย์ให้ตรงล็อกเป้าหมายแล้วลั่นไกยิงต่อมาพัฒ น, นาอีกให้คนนอนอยู่บนเตียงเฉยๆแล้วฉีดยาเข้าไปทำลายระบบประสาททั้งหมดให้วายแล้วก็ตายแล้วทุกวันนี้ บางประเทศก็พัฒนาให้คนที่มีความเป็นนั้นขึ้นนั่งบนเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วเสียบ ป, ปลั๊กเอาไฟฟ้าเล่นเข้าตัวทำลายระบบต่างๆตายภายในสามนาทีห้านาทีไม่ว่ารูปแบบของการฆ่าโดยเพชฌฆาตจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามแต่คนที่รู้ตัวดีว่ากำลังจะถูกฆ่า มีอาการเหมือนกันหมดเลยเป็นยังไงใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วบางคนดาบยังไม่ทันถึงคอเลยตายก่อนแล้วเพราะอะไรมันชอ็อกเขายังไม่ทันั่าไกลเลยจิต ด, ดับเลยกลัวเพราะอะไร ในบรรดาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าความตายนะที่เรากลัวทุกวันนี้คุณโยมทั้งหลายคิดดูว่าคุณโยมกลัวอะไรอาจตะมาเพิ่เคยไปทุ่ดงดอไปปรากหดจันเป็นแจมโอ้โหถ้าเป็นคืนปกตินี่สวยจริงๆแต่พอนอนนั่งอยู่ในกรดเริ่มมองพระจันทร์เนี่ยมันเหงาส่งดีนะโอ้โหพระเด็พระคุณ จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งมันก็ไกลไปทั้งหมดเลยวันวิาสาขบูชาไปปักตร์ดด้วยความคลื้นอกคลื้นใจเอาวะวันนี้ถวายพระพุทธเจ้าสักวันหนึง่งมันไม่รู้ว่าตัวเองยังกลัวอยู่เนียโอ้โหหรือบาตรใบเดียวในกรดบาตรนี้อุปชาให้มาเอาเอาบาตรนี่แหละเป็นที่พึ่งมันนะ่ะกระา บ, บาตรเลยนะ นึกถึงแนวอุบชาว่าลูกไม่มีใครแล้วเอาบาทนี่แหละครับเป็นที่พึ่งสุดท้ายก็ได้นอนกับบาทบาทใบเดียวไม่มีชีวิตได้พึ่งได้นะเรถามว่ า, ากลัวอะไรคือในขณะที่มันกลัวนะั้นใจหนึ่งก็กําหนดสมาธิแต่มันก็ไม่นิ่งเพราะอะไรเวลามันสนั่นด้วยความกลัวมันไปเดิสั่นมาจากสมอง มันสั่นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้มันมาจากไหนนะสองใช้เหตุผลเข้าเข้าคมผีไม่มีนะเหตุผลก็เอาไม่อยู่นะมันก็กลัวเองตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่หัวจวดเท้าเลยกลัวนั่นครั้งหนึ่งมองพระจันทร์แล้วอุย้ยบรรดาภาพยนตร์ที่เคยดูนะจันเพนนะเดี๋ยวหมาป่าจะมา หรือไม่เห็นก็แวมไพายมันจะมานังมากจำมาไอ้ต้นไม้ต้นประดู่ที่เราเคยเห็นตอนกลางวันแล้วอ้มันร่มดีจังเลยนะพอตอนกลางคืนน้ำปากโกรใต้มันระบาดข้างในนี่มันมีเทวอารักหรือเปล่าผีจะอยู่ไหมดูมันปรุงสิมันปรุงให้เต็มหมดเลยนะมอไปทางต้นโพนึกว่ามันต้องมีมีเทวดาอยู่ แล้วบางดีมันก็คล้คลายๆเหมือนกับท่านจะห่มขาวออกมาจากตรงน้นกว่าจะหลับได้ตีสามอ่ะคิดดูครั้งหนึ่งก็จะริกไปส่วนโม้อโน้นเขาให้อยู่กุติข้างในเหมือนจะรู้ว่าต้องให้ได้เจอของนี่ทางวัดก็จัดให้อยู่ลึกๆเลยนะต้นไม้แต่ละต้นสูงสิบเมตรขึ้นทั้งนั้น่ะ จำเพนเจมกระจาผกุติที่อาตมาพำนักใครเข้าไม่ถึงเพราะอะไรมีต้นไม้ขนาดสิบคนอกอะใหญ่มากอาจจะไม่ถึงสิบอะสามหรือห้าคนออกล้มหักขวางทางเข้าด้วยนะคือถ้าผีมาไม่ต้องวิ่งออกทางนั้นอะมันขวางไว้แล้วเขาก็ห้อยู่ลึกกุฏิแต่ละหลังห่างกันเป็นสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรนะ เราก็นึกห่วเราในศึกษางานท่านพุทธทาสมามากพอไปอยู่เท่านั้นเองนอนหมอนไม้ตอนกลางวันก็เปียกเพราะอะไรฝนตกห้าก็มีชุดเดียวกต่ว่านอนหมอนไม้เสร็จฉันก็จะหลับคือกลางวันนี้ทําอะไรทุกอย่างให้มันเปียกเพราะอะไรเพื่อกลางคืนมันจะได้หลับง่ายๆไงกต่ว่าวันนี้เราขึ้นข่าวพุทธทองกันฉันไม่พักไม่ผ่อนเพื่อนอนกลางวันเราไม่นอนเพราะอะไรกต่ว่าคืนนี้เราจะได้เพลียแล้วหลับแล้วลืมไปเลย ปรากฏ ว, ว่าจำวัดแล้วมันก็เรียจริงนะแต่มันก็กลัวกลัวใครเราถามเปงมนะ่กลัวใครนะกลัวผีท่านพูทธาใช่ไหมกลัวครูบาอาจารย์เหรอนั่งสวดมนต์บทสวดตื่นๆอย่างอิตีปิโสเนี่ยเชื่อแม่ตะมางสวดไม่จบการณียะเมตตาสวดบทแผ่เมตตานี้สวดไม่จบ ไปนั่งสงสัยตัวเองว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นกับเราทําไมตรวจไม่จบความกลัวมันมาจากไหนลุกขึ้นนั่งดูเลยนะ่ะนั่งดูความกลัวเดือนสาบแสงโลมแม่ไม้ไพลโรงสาบส่องลงมากําลังนั่งนิ่งๆไม่รู้ว่าชนีมาจากไหนกระดดลุกผ่านหน้าตาโอ้ขวัญตะเจิงเลยก็เชื่อมทันทีเลยนะสั่นเลยทีนี้ ในชีวิตไม่เคยสั่นจนค้างเลยฟันกระทบกันนะไปเจอที่นน่นอู้ยฟันกระทบกันเลยกลัวมากมากแล้วถามถึงไม่ตกลงที่กลัวนี่กลัวอะไรกลัวผีหรือกลัวตายสุดท้ายคำตอบที่ได้คือไม่ใช่กลัวผีกลัวตายมันกลัวตายเท่านั้นเองหลวงพ่อชาเคยไปนั่งกลัวตายอยู่ในป่าถึงขนาดขอโทษเถิดปัดสาวะเป็นเลือดอ่ะ คิดดูท่านบอกว่าวันนั้นตั้งแต่วันที่ไปปรากฏแล้วมันแปลกมากๆพอไปถึงป่าชา้ายังไม่ทันปรากฏเลยกำลังเลือกทำเลชาบ้านก็แบกศพมาเลยสี่คนหามมาเลยศพตายใหม่ ย, ยังอุ่นๆอยู่เลยพอมาถึงปุ๊บเขาก็จะการเผาเลยเป็นศพเด็กท่านก็มองดูเอาล่ะฉันจะได้พิจรารณาศพ ยืนดูสับเป ล, เล่าทางานไปอะไรไปเผาไปปรากฏ ว, ว่าเผาเสร็จแล้วเขาก็เอาไม้เนี่ยที่เขาเอาสารเหมือนเตียงเล็กๆ เ, เนี่ยเพื่อแบกศพมาทำอะไรเอามาตัดตัดตัดตัด ต, ด ต, ด ต, ดตดแล้วทำเป็นนั่งร้านให้หลวงพ่อนั่งนิมนต์ท่านไปปรากหลอตรงนั้นบอกว่าทำนั่งร้านให้เสร็จแล้วครับนั่งร้านนั้นทำด้วยไม้ที่ใจหามศกมา หงพ่อบอกว่านึกแค่นี้ก็เสียวแล้วเขาก็กลับไปคืนนั้นเหลือตัวคนเดียวนั่งดูเชิงตะกรไฟมันลุกพลบพลบพลบพลบพลบบ๊อ บ, บ, บแบางทีก็วู้บางที ก, งทก็ลมมาก็พึบลงไปบางทีก็วู้โผล่ขึ้นไปอยู่คนเดียวในป่าเสียงไฟพึบพเนี่ยสะเทือนเข้าไปถึงในหัวจิตหัวใจ ปกติเราเคยได้ยินไหมไฟมันลุกเ่าเคยได้ยินเสียงมันไหมมันมีเสียงแต่เพราะเราไม่เงียบพอมันเงียบปุ๊บมันผึดทับปับปับบปแต่ท่านก็ภาวนาแล้วก็ดูไปจนดึกเดินเที่ยงคืนหลับตาพอหลับตาได้ยินเสียงเหมือนต้นไม้ไผ่เพรามันจะหักจะโค้นมันกึง้งกึงกึ้งกึ้งกึ้งเหมือนจะมีคนเดินมาหาท่านพอมาถึงหน้าตรวจปุ๊บมันก็กลับไป สักพักหนึ่งมันก็เดินมาแล้วเหมือนจะมีมือมือใหญ่ๆเนี่ยเหมือนมีคีมยับจะมาปุ้มห่าท่านออกไปจากกรท่านก็นั่งภาวนารู้เรื่องไม่ไม่รู้เรื่องมืเมือมันป่องปงไหลออกตามเนื้อตามตัวตึงตังตึงตึงสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงระเบิดออกมาจากเชิงตะกอนปุ้มอะไรก็ไม่รู้ชิ้นส่วนไหนก็ไม่รู้ระเบิด เสียงไฟบางนีกว็วูขึ้นมาสว่างทั่วป่าชาแล้วก็วบลงไปต้นไม้และไฟผมก็เหมือนจะหักจะโคน่นใครก็ไม่รู้ก็เดินข้าเดินออกมาต่อหน้ากดแล้วก็เดินกลับไปสู้ผีอยู่ดึกดื่นครึ่งคืนสุดท้ายแล้วก็ถามาตัวเองที่กลัวนี้กลัวอะไรไล่ถามตัวเองจนมันเกิดสติพอเกิดสติรู้ว่าที่กลัวนี้กลัวตาย ถามต่อไปว่าแล้วเราไม่ตายหรื อ, อก็คนเขาว่าเราก็จะตายเอา้าตราก็จะตายแล้วเรามากลัวทาไมความตายมันอยู่ในตัวไม่ได้อยู่นอกตัวนึกกลัวทาไมพอคิดได้แค่นี้สติขึ้นมาปุ๊บความกลัวมันพังลงเหมือนตราศ า, าสทรายมันพังคึ้นลงไปสติมาเต็มที่เลย อย่างไรก็ตามกว่าจะสู้ความกลัวได้ก็จนเช้าเช้าวันนั้นหลวงพ่อเปิดกรดออกมาปัสสาวะเลือดเป็นลิ่มๆิ่มออกมาเลยเพราะอะไรกลั่นปัสสาวะทั้งคืนอยู่ในกรดสู้กับความกลัวสู้กับผีในใจนี่คือพระของเราถ้าไม่ออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่สมภูมิเหมือนทหารถ้าไม่เคยออกรบเนี่ยไม่เคยผ่านสมรภูมิเนี่ย ก็พูดได้ไม่เต็มปากถ้าถ้าไม่เคยไปปักกรเดินทุ่ดดงเสียบ้างก็ไม่รู้หรอกว่าธรรมะที่เรียนมามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไปผ่านสมรภูมิมาแล้วอูย้ยเรารู้แล้วทีนี้มีอะไรใครบอกว่าผีมาเลยมาเลยฉันจะนั่งคุยกับแกแล้วเอาเป็นวัตถุดิบไปเขียนถ้ามันเบสเลอร์ไปเลยว่าคุยกับผีปรากฏว่ามันไม่มานะทุกวันนี้ก็ยังหาความร่วมมือจากผีอยู่เนะี่ยเราก็อยากรู้ แต่เป็นสมัยก่อนนะไปห้องน้ำทีละสามรูปละ่ะอยู่ข้างในอีกสองรูปทำอะไรคุยกันให้ฟังห้ามเงียบเด็ดขาดนะรัวผีมึกเลยอนะแต่มาในตัวกลัวเลยนะขอบอกเลยรัวมากมากไปห้องน้ำทีหนึ่งไปกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม แต่พอโตขึ้นโตขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นมากขึ้นพความกลัวมันหายไปกลายเป็นความอยากเจออีกอยากเจอเพื่ออะไรเพื่อจะได้ตอบคําถามตัวเองให้มันหายสงสัยหายสงสัยแล้วก็มาเล่าให้ญาติโยมฟังก็ไม่มีผีตนไหนให้ความรำมือมาจนทุกวันนี้สุดท้ายสิ่งที่เรากลัวมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในที่สุดของความกลัวคือกลัวตาย ท่านจึงให้พิจารณามรณสติประการแรกว่าพิจารณาว่าความตายเหมือนกับเพชรข้าศ์ถือหนาบจ่ออยู่ที่คอเนี่วามหมายระหว่งางบรรทัดก็คือท่านให้มองว่าความตายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะเพราะอะไรมันมาพร้อมกับความเกิดเลยมันเหมือนเพชรข้าศ์ที่จ่อเราตลอดเวลาเพราะอะไรมันอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยหนีตายได้ไหมไม่ได้เพราะอะไร เกิดมาคู่กับตายเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาแล้วเนี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ตายมันตายอยู่แล้วเพราะอะไรเกิดมันคู่กับตายเหมือนคนที่พบกันแล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่จากมันตายอยู่แล้วเพราะอะไรมันเป็นของคู่กันพบกับพลาดของคู่กันท่านเขียไม่เห็นง่ายๆท่านบอกว่าความเกิดความตายเป็นคู่กันเช่นตอนเช้าตรู่หลังผลพรำเนี่ยมีเห็ดโคนงอกออกมาจากดิน เราเห็นหอมงอกออกมาจากดินพอเห็ุงอกออกมาจากดินถ้าท่านไปเก็บเห็ดท่านไปดูหัวเห็ดจะมีฝุ่นละอองมีดินติดหัวเห็ดมาด้วยใช่ไหมเช่นเดียวกั น, ท, นทันทีที่เราเกิดความตายก็ติดมาเป็นคู่กันพร้อมกับความเกิดนั่นเองเหมือนเรายกมือขึ้นมาอันนี้เราเห็นว่าเป็นหน้ามือ หลังมือติดมาเลยติดมาพร้อมกับหน้ามือเพราะอะไรมันเป็นของคู่กันนี่คนรักกันอยู่ไปสามสี่ปีมันจะเกลียดกันทำไมอ่ะก็รักกับเกลียดก็มันเป็นคู่ตรงข้ามกันแต่จะเกลียดมากเกลียดน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือเกลียดแล้วจะบอกกันหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเกลียดนะบางครั้งมันจะนึกหม่นไส มองสามีมองภรรยาตัวเองแล้วนึกเบื่อขึ้นมาจะทิ้งดีไหมข้าวประกันดีไหมเนี่ยเดี๋ยวรอมันได้เงินประกันเยอะๆเคยว่ากันต่างฝ่ายตายก็คิดอย่างนีน้มันจะเกลียดกันนะเป็จะเกลียดมากเกลียดน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะร่ำ ก, กันราบรื่นตลอดรอบฝั่งมีน้อยมากนี่แหละความตายมาพร้อมกับความเกิดเพราะมันเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่า โอ๊ยฉันยังไม่ตายหรอกตอนนี้อายุสี่สิบชีวิตเริ่มต้นนี่ไปเชื่อฝรั่งปลอบใจเองว่ายังไม่แกบางคนก็บอกชีวิตผมเริ่มต้นเมื่อเจ็ดสิบอันนี้ก็หนีความจริงนะเจ็ดสนะิบกแกหักแล้วทำเป็นเชื่อฝรั่งจริงๆก็หนีไม่ได้หรอกแกนั่นแหละแกแล้วนะเดี๋ยวก็ตายเนี่ยนอกจากนั้นท่านก็ให้พิจารณาว่า ความตายเป็นปลายสุดของชีวิตเช่นเดียวกับการตกเป็นปลายสุดของพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าโคจรไปส่งโหดอยู่ตอนเที่ยงวันแต่ไม่ว่าวั น, นไหนทุกวันที่พระอาทิตย์ขึ้นวันนั้นต้องตกจริงหรือไม่จริงคุณเยอมเคยเห็นไหมพระอาทิตย์ที่ไหนขึ้นแล้วไม่ตกสแกนเดนเวียที่จริงมันตกไหมมันตกนะ มันก็ตกของมันนั่นแหละแต่เราก็ไปเห็นว่ามันไม่ตกจริงๆมันก็ตกอยู่นะดูให้ดีๆก็แล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่มีการอุบัติขึ้นในเบื้องต้นจะดำรงอยู่ชั่วการในท่ามกลางและสุดท้ายก็จะถึงความแตกดักเป็นที่สุดเมื่อเราเกิดเราก็ตาย ของคู่กันให้พิจารณาอย่างนี้ว่าอ๋อความตายจ่ออยู่ที่คอเราจ่ออยู่ที่จมูกเราเหมือนพระเจ้าด้ามันเมื่อด่าตลอดเวลาเกิดขึ้นได้ทุกขณะเลยนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองให้พิจารณาความตายโดยวิบัติจากสมบัติวิบัติจากสมบัติวิบัติก็คือเสื่อมเราลองคิดดูว่าเรามีอะไรเราเกิดมา เราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวทุกวันนี้มันยังเป็นอยู่ไหมมันก็ไม่เป็นแล้วนะเคยเป็นเด็กมันยังเป็นอยู่ไหมมันก็ไม่เป็นแล้วเคยเป็นคนกลางคนกำลังวังชาฮึกเหิมมันยังเป็นอยู่ไหมมันก็ไม่เป็นเคยมีเสน่พิ้งพรายขนาดเดินไปแล้วในผู้ชายหันตามเป็นพรูวนรถเมลวิ่งผ่านยังต้องจอดดู เนน่ห์มันยังอยู่ไหมเดินออกจากห้องนี้ไปเนี่ยหน้าตาสาสวยถึงขนาดพระอาทิตย์หลบบุมก็กลีบไม่เพราะอะไรไม่กล้าเผชิญหน้ากันตรงๆมันจะสวยอย่างนั้นตลอดหรือเปล่าไม่มีนี่เรียกว่าวิบัติจากวัยความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราเคยแข็งแรงมันจะแข็งแรงตลอดไหมสักพักหนึงมันก็ไปละ เตะปี๊บเลยทีแล้วโหลมันก็จะไม่ทําอย่างนั้นได้ตลอดนะอย่างสุดท้ายที่เรามีเราจะวิบัติจากมันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัยเป็นสุขภาพครอบครัวคนรักทรัพย์สมบัติเกียรติคุณชื่อเสียงสุดท้ายแม้แต่ลมหายใจซึ่งเราถือกันว่าเป็นของเราเราก็จะเสื่อมจากลมหายใจเราจะวิบัติจากลมหายใจจะต่างคนต่างอยู่ไม่เหลืออะไร ท่านยกตัวอย่างในอดีตพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากครอบครองชมพูทวีปทำธวีปซึ่งปัจจุบันกินเนื้อที่ถึงสามประเทศผู้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดในสุดท้ายเหลือมะาขามป้อมครึ่งผลในมือเป็นทรัพย์สมบัติขนาดมีครึ่งผลก็ยังแบ่งถวายพระสองฆ์อีกครึ่งส่และสมบัติที่ลงเคยมีไปไหนหมดละ่ะ ของที่ยืงเขามาสุดท้ายก็ต้องส่งคืนใช่ไหมนี่เรียกว่าวิ่บัตรจากสมบัติอาตมาภาพเคยอ่านประวัติของพระเจ้านาโปเลียนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสนโปเลียนเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากครองโลกได้ครึ่งหนึ่งเกือบทำสำเร็จแล้วเกือบครองโลกได้ทั้งใบว่ากันว่านาโปเลียนเดินผ่านแถวทหารกองเจียรติยศเนี่ แค่เฉียดกลายผ่านนายทหารยืนขาสั่นเลยกลองทัพไหนก็ตามที่รู้ว่าน้าโปรเลียนเป็นแม่ทัพทหารมืออ่อนเท้าอ่อนหมดไม่กล้ายกอาวุธขึ้นสู่มีเดชานุภาพแผ่ขึ้นไปบนอากาศลึกลงไปในดินชื่อเสียงกระจายทั่วโลกสุดท้าย พอพระองค์ถูกขับไล่สายโซนออกจากราชบาลังเขาเอาไปปล่อยไว้ที่เกาะแห่งหนึ่งอยู่กับนายทหารไม่กี่คนวันหนึ่งในบานปลายของพระชนม์ชีพพระองค์ทรงนอนเฝ้า อ, อยู่บนเตียงมีหนูวิ่งขึ้นมาแทะเท้าไม่มีแรงแม้จะไล่หนูฉันพระวรกายลุกขึ้นมามองดูหนูแทะเท้าของตัวเอง รำพึงว่าแม้แต่หนูมันยังไม่กลัวนะปรเรียนคุณยอมเห็นหรื อ, อยังคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแค่เดินผ่านกองทัพแท บ, ทบลมจับสุดท้ายหนูแทะเท้ายังไม่มีปัญญาจะไล่เลยเห็นสัจธรรมของชีวิตทุก อ, อย่างว่าเราจะวิบัติจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีเคยครอบครองเคยเป็นเจ้าของ ความตายมันจะริบคืนไปทั้งหมดมีสิ่งไหนบ้างที่ความตายไม่ริบออกไปจากเราทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงรูปร่างสังขารลมหายใจคุณงามความดีลูกแก้วเมียขวัญทุกอย่างสุดท้ายต้องคืนเขาไปทั้งหมดเมื่อความตายมาทวงประการที่สาม พิจารณาจเจริญมรนณสติโดยนำมาเปรียบเทียบตนกับคนอื่นเช่นเปรียบเทียบโดยมองความเป็นผู้มียศใหญ่ในโลกนี้คนที่มียศศักดิ์ครฐานยิ่งใหญ่มากๆอย่างพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งหลายซึ่งเราเคยได้ยินชื่อกันมาไม่ว่าจะเป็นนัปโกเลียนโบนาปาร์ตก็ดีอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ดีเจงกิสคานก็ดี อโศกมหาราชก็ดี ส, สันนรศวรมหาราชก็ดีบุเรงนองก็ดีพระเจ้าชัยว ร, รมันก็ดีพระเจ้าจากักรพรรดิพระมหากษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ถึงพร้อมด้วยอิสรยิยยศอิสรยสิยศังแต่สุดท้ายถามว่ามีใครบ้างที่อยู่ค้าฟ้าคนมียศขนาดนี้สุดท้ายก็ได้ดสมรเร้หมดตาย ไม่เหลืออะไรให้เห็นเลยตายหมดสองพิจารณาโดยความเป็นผู้มีบุญมากคนมีบุญในโลกนี้เขายกตัวอย่างอย่างอาณาธรรมบิกามหาเศรษฐีก็ดีนางมิสาขาก็ดีหรือพระราชามหาการิย์ที่เกิดมาประสูติมาบนกองเงินกองทองก็ดีหรือแม้แต่คนมีบุญมากๆทุกวันนี้จะเป็นลูกมหาการิย์ลูกมหาเศรษฐีลูกของบิลเกตสก็ดีลูกของนายกทักษิณชินวัตรก็ดี ที่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่หาไว้ให้เสร็จเลยใช้กันเป็นอีกร้อยชาติก็ไม่หมดคนเหล่านี้จะตายไหมตายหมดนะเนี่ยบุญหนังสูงใหญ่ก็ตายหมดไม่เหลือทุกคนอนะ่ะต่อไปโดยความเป็นผู้มีกําลังมากความเป็นผู้มีกําลังมากก็คือมีร่างกายแข็งแรงนักกีฬานักเพาะกล้ามทุกคน นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนนักกีฬาทีมชาติทุกคนที่บอกว่ามีสุขภาพแข็งแรงรูปร่างกํายําล่ําสันตายหมดนะเพราะฉะนั้นถึงจะมีกําลังอย่างไงก็ตามก็ไม่มีกําลังไหนที่จะไปต่อต้านกําลังแห่งมรณะได้สุดท้ายก็จะตายจะอ่อนกําลังและหมดกําลังเมื่อจันหมดต่อไปพิจารณาโดยความเป็นผู้มีฤทธิ์มาก ในพระพุทธศาสนาผู้ที่มีฤทธิ์มากมากก็คือพระมหาโมคันลานะมีฤทธิ์มากจะเป็นรองก็แต่พระพุทธเจ้าฤทธิ์ของพระมหาโมคันลานะเนี่ยท่านเล่าเอาไว้ว่าถึงขนาดม้วนแผ่นดินก็ยังได้นะครั้งหนึ่งไปอาสาแสดงยมกปาติหารแทนพระพุทธเจ้าเมื่อมีนักบวชนอกศาสนาที่เราได้กันว่านักบวชเดรัทีเนี่ยมาท้าสแสดงปฏิหารกับพระพุทธเจ้า สาพวกหลายคนมารบมาศเราจะสู้กับพวกเดรัจฉีพระมหามคคลานะก็รับมาศาพระองค์ถามว่าเธอจะทำยังไงพระองค์บอกว่ากระผมจะม้วนแผ่นดินก็ได้จะย่อแผ่นดินก็ได้โลกนี้จะหยิบมาปั้นเป็นก้อนกลมๆใส่ในมือก็ได้เราลองคิดดูว่าคนมีฤทธิ์มากขนาดนี้สุดท้ายตายนะตายยังไงถูกโจนห้าร้อยล้อมจับแล้วทุกตาย เป็นพระอรหันด้วยนะมีริดมากด้วยสุดท้ายตายอย่างหน้าหนาที่สุดถูกโจรล้อมจับแล้วทุบจนตายกระดูกแหลกละเอียดเนี่ยมีริดมากขนาดไหนกันหนีพ้นไหมไม่พ้นพระมหามาโมคลานะเนี่ยเมื่อรู้ข่าวว่ามีโจรไปล้อมจับครั้งแรกท่านก็นหนีออกทางช่องฟ้าครั้งที่สองหนีเอาทางช่องดานกุญแจช่องลูกุญแจ ครังนี้สามพิจารณาเห็นว่ากรรมมาถึงเราเข้าแล้วจริงไม่หนีนั่งรอโจรอยู่ในกุฏิถูกโจรทุกตายแหลกละเอียดหมดเนี่ยผู้มีฤทธิ์มากสุดท้ายก็ตายหรือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มีฤทธิ์มากๆนะ่ะใครบ้างจอชบุชผนะู้พ่อน่ะปฏิบัติการพายุทะเลสายทันลมมีรัก ถ้าวันนี้ก็กำลังถูกโรคอัลไซเมอร์คุกคามอยู่เนะี่ยริดมากสุดท้ายก็จะไม่เหลือทิฏอะไรก็จะเป็นคนแก่คนหนึ่งเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านเลี้ยงหลานอยู่ดีๆเอ้าไอ้นี่เป็นใครไล่หลานดไปออกจากบ้านเอ้าจกลงว่านี่มันหลานหรือคนนอกลืมเห็นไหมว่าริดที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่อย่างยืหนหรอกสุดท้ายก็ตายหมดเมืเ่อไปเจอริดคือความตาย ต่อไปโดยความเป็นผู้มีปัญญามากผู้มีปัญญามากๆเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าพระสารีบรในทางโลกก็เอาเบิร์ไอน์สไตน์กาลิเลโอนิวตันนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ทั้งหลายมาตมะคารทีรัพินทรนาถากูลนักการเมืองใหญ่ๆที่มีปัญญาระดับโลกสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ตายหมดนะ ไม่ว่าจะเป็นพระอริยะบุคคลหรือคนสามัญมีปัญญามากก็มาพ่ายแพย้แต่มรณภัยอยู่ดีต่อไปโดยความเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าปัจเจกับพุทธเจ้าก็าหลังเขาเรียกว่าไซเรนบุนดาพระพุทธเจ้าเงียบคือช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงว่างพระพุทธศาสนาจะมีกลุ่มคนที่ ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงความจริงที่เรียกกันว่าการตัดสรู้นี่แหละแต่ว่าท่านเหล่านี้ไม่สามารถสอนใครได้รู้เองไม่สอนถึงที่สุดแล้วแม้จะได้บรรลุอ ม, มตตธรรมเือนนิพพานแต่ท่านเหล่านี้ก็จะตายเช่นเดียวกันก็ไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงขนาดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อไปโดยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังทนทานต่อมรณะภัยไม่ได้สุดท้ายเพียงพระชนได้แค่แปดสิบพรรษาก็ต้องยอมต่อมรณะภัยเห็นหรื อ, อยังว่ามัจจุราชหรือมรณะภัยนี้ไม่เคยเลือกที่รักไม่เคยมักที่ชังไม่เว้นหน้าเอ็นหน้าพรหม พัดพาเอาคนทุกคนหรือสรรพชีพสรรพสิ่งที่มีชีวิตในโลกไปเป็นธาตุเป็นบริวารทั้งหมดไม่เหลือสักคนนี่แหละให้เราพิจารณาอย่างนี้แลน้องก็มาหาตัวเองว่าประดาผู้มียศใหญ่ก็ตายผู้มีบุญก็ตายผู้มีกำลังก็ตายมีฤทธิ์ก็ตายมีปัญญาก็ตายพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตาย แล้วเรานี่มันแน่มาจากไหนมันถึงจะไม่ตายน้อมเข้ามาอย่างนี้นะอาหารการหรืออีกโก้เนี่ยมันยุบลงเลยนะใครที่กำลังนึกว่าตัวเองวิเศษเนี่ยนะน้อมนึกอย่างนี้แล้วเนะี่ยความยะโสโ อ, อหังมันลดลงครึ่งหนึ่งนี่แหละนอกจากเราจะได้เห็นว่า เราไม่ประมาทเพราะพิจารณาความตายแล้วมันเป็นวิธีแก้กิเลสคือมานะอาหารการได้ด้วยพิจารณาบ่อยๆสิว่าเราจะตายเนะ่ะเราจะไม่คิดว่าฉันจะอยู่ค้ำฟ้านะจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมามีบทบาทในนิทานปรายาเซนมีอยู่เรื่องหนึ่งพระเซนเจ้าวาดใกล้ตายท้ายก็ไม่ตายนะทั้งๆทงี่แก่งักเลยลูกศิษย์กป้อนค้าพ้อนน้ก็บ่นขึ้นมาว่า โอ้ยถ้าฉันตายแล้ววัดฉันมันจะอยู่ไปได้ยังไงเธอทั้งหลายจะกินยังไงจะอยู่ยังไง บ, 3, 7, บ่นสามวันเจ็ดวันลูกศิษย์คนหนึ่งบรรลุธรรมแล้วมีภูมิบรรดามากวันหนึ่งเอาข้าวอาน้ําไปประเคนอาจารย์อาจารย์กบ็บ่นเอ้ยเธอทั้งหลายถ้าสิ้นฉันแล้วจะอยู่ยังไงลูกศิษย์คนนี้บอกว่าดรี บ, รบตายเถิตาแก่ไม่ต้องห่วงเราคนเขาอยู่กันมากี่ชั่วรุ่นแล้วล่ะ ลูกศิษย์พูดเท่านี้อาจารย์ชอเลยตายนี่ไม่ปล่อยไม่วางเสียทีนึกว่าตัวเองเก่งที่สุดอยู่คนเดียวคนที่คิดอย่างนี้หลงตัวเองมากๆแล้วปล่อยไม่ลงรงไม่เป็นเป็นโรคหัใจได้นะเพราะอะไรโอ้ยประเทศไทยถ้าขาดเสาหลักอย่างฉันสักคนหนึ่งมันจะเป็นยังไงเนาะคิดอย่างนี้นะนี่คิดอย่างนี้เรียกว่าคิดแบบไม่เข้าใจโลกเหมือนไกลตัวหนึ่ง มันต้องขันทุกเช้าเลยนะเช้าวันไหนไม่ขันไม่ได้วันหนึ่งไก่ตัวนี้ป่วยป่วยหนักเลยต่อมทำซึมหนักเสดขันบ่อยเส้นเสียงไม่ดีแต่มันก็ดันลูกรงลุกขึ้นมาขันนะลูกก็สงสารพ่อพ่อวันนี้เช้าวันนี้พ่อไม่ต้องลุกไปขันก็ได้ให้หนูขันแทนพ่อก็เอาเปลกตบหัวลูกเลย เองไม่ต้องเสือกขันนิ่มเป็นหน้าที่ของข้าพ่อไม่ขันสักวันได้ไหมครับพ่อไก่ผู้เป็นพ่อยืดออกลุกขึ้นตอบวันไหนถ้าข้าไม่ขันเราเว้ยวันนั้นตะวันไม่ขึ้นวันนี่เพชรมันอยู่ตรงนี้คือคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เนะ่ยคำฟ้าคำโลกอยู่ลืมไปลืมไปว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องตายแล้วโลกมันก็อยู่ได้นะเพราะอะไรมันเป็นวัตถจักรใช่ไหม เป็นวัตถาจักไม่ต้องห่วงหรอกว่ามันจะอยู่ไม่ได้มันอยู่ของมันมาได้เท่าไหร่ล่ะคนเก่งที่สุดโลกนี้เคยมีตายไปแล้วแต่แล้วคนเก่งก็ไม่ได้มีคนเดียวซ้องจะมีคนสืบท่อตลอดครั้งหนึ่งมีคนไปถามหลวงพ่อเรียนจิตตสุโพหพ่อครับถ้าหลวงพ่อตายนะการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวเคลื่อนไหวใครจะมาสืบต่อหลวงพ่อก็บอกว่าเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไฟเนี่ยมันมีอยู่คู่โลก ถ้ามันดับไปแล้วก็จะมีคนคนพบแล้วก็จุดไฟขึ้นอีกเสมอเสมอจริงหรือไม่จริงอย่าไปกลัวโลกุณตรธรรมจะหายนะของมันมีอยู่แล้วอาจารย์ตายไปคนหนึ่งไม่ใช่หมายความว่าท่านเอานิพพานไปด้วยครั้งหนึ่งที่พระมหมาโมคคลานะกับพระสาเรยกนิพพานพิจูสงรง้รองโฮมร้องไห้ด้วยความเศร้าเสียใจพระผู้ดงเรียกมาเธอทั้งหลายฉันถามหน่อย สารีบวดโมคะลานะนิพพานไปแล้วหรือตายไปแล้วเนี่ยเอามรดผลนิพพานไปด้วยไหมจึง ต, ตอบว่าไม่ขอรับก็ในเมื่อเธอทั้งสองไม่ได้เอามรกผลนิพพานไปด้วยท่านทั้งหลายจะเศร้าสศกไปใหญ่มรด ก, กมีอยู่ผลก็มีอยู่นิพพานก็มีอยู่เธอเคารพนับถืออะไรในตัวสองท่านนั้นเธอก็ฝึกเอาสิสองท่านนั้นรู้ถึงมรกผลนิพพานจึงเป็นยอดคนใช่ไหมใช่ขอรับ เธอทั้งหลายทำไมไม่ฝึดละ่ะมัดคนไม่ผ่านไม่ได้ตายไปกับสองท่านนั้นหรอกแต่มีอยู่แล้วถ้าเธอฝึกมันขึ้นมาเธอก็เป็นยอดคนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงนี่ให้เราพิจารณาอย่างนี้มานะอาหางการหายความเข้าใจชีวิตเกิดขึ้นกลายเป็นคนอ่อนน้อมทําต่มต่อไปพิจารณาโดยความที่กลายเป็นสาธารณะแก่หมู่พญาตในร่างกายของเรานี้ อย่าคิดว่ามันมีสิ่งมีชีวิตคือเราเท่านั้นนะในตัวนี้มันมีสิ่งมีชีวิตอีกไม่รู้กี่สายพันธุ์มนาอาศัยอยู่ยุ่ยเยีย่ยไปหมดเลยแล้วอย่านึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะพยาติบางอย่างมันอยู่ข้างในเนี่ยมันช่วยพรวนดินให้เรานะช่วยย่อยอาหารช่วยทำให้ระบบต่างๆทำงานได้ดีว่ากันว่าถ้าเราพยาตออกจากตัวมนุษย์ทุกชนิดเลยเนะ่ะร่างกายจะขาดส ม, มดุล น, นะ จริงหรือไม่จริงแปลกนะของทุกอย่างในโลกนี่เขาทำมาเนี่ยมันมีความหมายหมดทิ้งไม่ได้นะไส้เดือนเนี่ยเขาเขาสร้างขึ้นมาทำไมบางคนบอกว่ามันทำขึ้นมาทำไมไส้เดือนไม่มีประโยชน์เลยนี่มองจากมุมของคนเรามองให้ดีๆนะไส้เดือนมันกำลังพรวน ด, ดินให้โลกอยู่นะ อย่าบางชนิดมันทำขึ้นมาทำไมควายมันก็ไม่กินมันกำลังปกห่มหน้าดินอยู่ใช่ไนหะมนกกระจิจกระจอกแะรร้องทั้งวันมันร้องทำไมวันไหนเราเหงาเราจะเห็นคุณค่าของมันคนไม่เปรี้ยเสียขาเกิดขึ้นมาทำไมไม่เห็นมีประโยชน์ตายก็ไม่ตายช่วยต้วยก็ไม่ได้ มองอย่างคนมีปัญญาก็จะเห็นว่าคนเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจว่าให้เราเล่งทําแต่กรรมดีนะถ้าเราทํากรรมไม่ดีเราก็จะเป็นคนอย่างนั้นบ้างทําไมคนเราอยู่ดีๆแล้วต้องมาผิดหวังด้วยคนที่ไม่เข้าใจโลกก็จะโกรธตัวเองแท้ที่จริงความผิดหวังก็สอนเราว่าชีวิตมีขึ้นมีลงนะผิดหวังสมหวังของคู่กัน ในโลกเนี่ยทุกอย่างถ้ามองด้วยสายตาของคนที่มีธรรมะทิ้งไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวเป็นครูทั้งหมดบางคนไป น, นั่งปฏิบัติสมาธิโหลดกิเลสทำไมมันนิ่งอยากจะเอามีดไปทิ้งมันเลยนี่วอ น, นโห ด, ดความว่วงแต่ถ้าเรามีสตินะมองดีๆไอ้ตัวความว่วงนี้เป็นครูเลยนะ บางคนไป น, นั่งเกิดเวทนาโกรธมากๆ ม, มันอะไรกันนักกันหนาะเจ้าเวทนาเนี่ยหารูไม่ว่านะั่นอาจารย์ใหญ่นะตัวเวทนาเนี่ยปฏิบัติสมาธิแล้วเจอเวทนาและะ้วแสดงมาัมาถูกทางบางคนเจอเวทนาปุ๊บลุกเลยนี่จะไม่ได้อะไรทุกอย่างนี้เป็นครูเราทั้งหมดป ร, รมจาของจิ้งบอกว่าถ้ามีคนเดินผ่านชันสองคน สองคนที่เป็นครูฉันได้เท่าากันเลยสำหรับคนดีฉันจะเอาอย่างเขาแต่สำหรับคนเลวฉันจะบอกตัวเองว่าอย่าเอาอย่างเขาถ้าเราเป็นนักปราดิ์ราชบัณฑิตเป็นคนมีพุท ธ, ธิปัญญาเป็นคนมีสติขออภินิจารณาวรรทุกอย่างในโลกล้วนมีคุณค่าในทางสอ น, สอนจิตสอนใจทั้งนั้นปัญหาคือเราตามีแววหรือไม่เช่นเดียวกันในตัวของเราเราจะเห็นว่า มันมีพลายาบมีมูมนอนชอนใช้เย้ยไม่รู้กี่ช น, นิดลูกศิษย์อัตมาภาพเป็นนักเรียนพยาบาลไปรักษาคนไข้เคสหนึ่งมาเล่าให้ฟังวันหนึ่งมีเหตุให้ต้องเอาสายยางสอดลงไปเพื่อให้อาหารทางกระเพาะดึงสายยางขึ้นมาพายากติดขึ้นมากว่าสามสิบตัวเป็นพวงเลย ลกูกศิษย์อาเจียนคาเตียงเลยนักเรียนพยาบาลแล้วถามคนไข้ว่าเป็นกินอะไรมาเขาบอกว่ากินแหนมเอามันเล่าถว า, ายพระอาจารย์พระอาจารย์เลยเลิกคบแหนมเลยไม่เอาแล้วแหนมดิกลัวดูนี่ออกมาทาั้งปากเลยนะมันไม่มีทางออกแล้วมันเยอะจริงจิง เธอบอกว่าไม่เคยเห็นมากขนาดนี้มา ก, ก่อนบอกว่าทานข้าวไม่ได้เป็นอาทิตย์มาแม่ของเป็นเส้นไม่ต้องเอามาให้ทานไม่ลงมันอยู่ไหนมันอยู่ในตัวเราเนี่ยขอให้คิดว่าเออเนาะเหตุปัจจัยที่จะทําให้คนเราตายเนี่ยนอกจากอุบัติเหตุเข้าปลาอาหารยาพิษแล้วมันก็ยังมีเพื่อนของเราซึ่งมาแอบเล่นซ่อนหาอยู่ในลําไส้นี่ในร่างกายเนี่ย พวกนี้นะมันจะเล่นงานเราได้เหมือนกันตัวจี้ตัวตืร์ดและต่งางๆเนี่ยขึ้นสมองเมื่อไรก็ไปเม่อ น, นั้นเหมือนกันพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอุย้ยประมาทไม่ได้นะถึงแม้เราไม่เจ็บไม่ไข้แต่ปฏิเสธได้ไหมว่าข้างในไม่มีพญยาณนี่คิดอย่างนี้แล้วก็จะได้ไม่ประมาทดูนางงามจักรวาลเดินชีช้ช้ายโอ้โหกลัวที่อินแพค็คบางทองทา น, นีไม่มีพยาทั้งหมดเลย ข้างในพิจารณาดูเดี๋ยวก็จายเหมือนกันหมดนะเอออย่างนี้แล้วก็ไม่สนเหมอือนกันแ่ะนี่แหละเราก็จะได้เห็นว่าคนทุกคนโดยไม่มีพ่อยกเว้นมีเหตุปัจจัยแห่งความตายซ่อนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่ายิงพยองอย่าหางการต่อไปพิจารณาโดยอายุเป็นของทุกพลภาพทุกคนลภาพก็คือไม่แข็งแรงไม่ยั่งยืน อายุคือลมหายใจของเรานี่แหละไม่แข็งแรงไม่ยืดหยุ่นเพราะอะไรมันเนื่องด้วยลมหายใจอายุของเรายึดด้วยลมหายใจหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้าลืมหายใจออกก็ตายหายใจเมื่อวานวันนี้ลืมหายใจก็ตายตายเพราะลมหายใจนี่ง่ายๆเลยชีวิตเนืงด้วยอิริยาบถอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งที่เราแช่อยู่กับมันนานๆเนี่ยถึงตายได้ไหม ตายนะนั่งนิ่งๆเลยอ่ะตากแดดเอาเรื่องตั้งเจ็ดวันไม่ต้องขยับมันเดี๋ยวก็ตายขาแดดเท่านั้นเองนอนอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องทำอะไรนอนคาเตียงหนะเดือนหนึ่งเดี๋ยวหลังจะเน่าจริงหรือไม่จริงไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาลหมอต้องให้พลิกตลอดยืนขาเดียวตลอดนะ เอาสักวันหนึ่งอาปากกินลงด้วยมีลมเป็นพักษาเนี่ยเอาดิจะตายหมหรือนั่งอยู่เฉยๆเอาตั้งหายใจอยู่ในอริยบทไม่หายใจไปสิสิ่งนาทีใครไม่ต้องทําอะไรอ่ะก็นตายของมันเองเรียกว่ามันชัด้ดาวตัวเองตายเหมือนกันนี่เรียกว่าเราค้างอยู่ในอริยบทไหนนานๆมันก็ตายได้ ต่อไปชีวิตหนึ่งด้วยอุณหภูมิอุณหภูมิคืออะไรความหนาวความร้อนความเย็นในร่างกายของเราร้อนมากเกินไปเนี่ยผิดสำแดงจากอะไรก็ตามร้อนถึงที่จุดก็ตายเย็นจับขั้วหัวใจก็ช็อกตายแข็งตาย หนถึงที่จุดก็ตายอาจารมพาพเคยไปที่ออสเตรเลียเขาพาไปดูนกเพนกวิ น, นมันอยู่ในทะเลมันจะไปหากินสามวันเจ็ดวันตอนเย็นมันจะกลับน่ารักมากๆตอนกลับมันจะโล้ขึ้นมามาการเป็นฟูเลยน่ารักไสมาเชีท้องป่องมาบางตัวก็ในท้องเต็มไปได้วยปลาแล้วนะข้าปลาคาปากมาฝากลูกด้วย ขึ้นฝังก็จะเดินเจาะแตะเาะแตะเาะแตะเหมือนเป็นเดินอะน่ารักมากแล้วก็ชูคอเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะแต่ว่าตรงท่าเลที่เราไปดูนั้นหนาวมากๆอุณหภูมิถึงขั้นลบเลยนะต้องเอาผ้าห่มไปเราก็ไม่เชื่อจะอะไรกันนักกันนะหนาเดีวจีอนเรานี่แหละแน่นอนที่สุดต <c oughs> ปถึงนบมันจะมาตอนหนึ่งท่อง ห้างโมงบมงมันยังไม่หนาวพอหนึ่งทุ่มตอนั้นเองคิดดูว่ามันหนาวขนาดไหนขนาดนกมันอยู่กลางทะเลมันยังกลับเข้าฝั่งไงเพราะมันหนาวคนมันจะไปเหลืออะไรปรากฏ ว, ว่าคนที่เขาเอาผ้าหม่มไปเขาก็ได้เห็นคุณค่าของผ้าหม่มเราอวดดีเราก็ได้เห็นคุณค่าของความอวดดีไม่เป็นอันดูนกหรอเพราะอะไรหนาวจับขั้วหัวใจเราเยืนที่ไหนกันฟัน คนนี้เขาเอาภัพหมไปเขาคุมโบ้แล้วก็ยืนดูนโอ้ยมีความสุขเราต้องเงียบๆไว้เพราะอะไรเพราะอวดเก่งไปแล้วต้องยอมรับสภาพมีเยอะเลยพระเยอะเลยไม่อ า, าผัพหงไปเพราะอะไรกลัวว่าไม่สํารวมใช่ไหมมันดูรังสุดท้ายหลวงพ่อลงพี่สิบกว่ารูปยืนสั่งเดือดร้อกกตกน้นี่หนาวมากๆน่ะอยู่ที่นั่นสักชั่วโมงหนึ่งแข็งแข็งแล้วก็ตายละ เห็นด้วยอย่งว่าชีวิตเกินเนื่องด้วยอุณหภูมิร้อนมากมากมันก็ตายเหมือนกันนั่นแหละต่อไปชีวิตเนื่องด้วยธาตุสี่ธาตุสี่คืออะไรดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราในร่างกายของเรานี้ประกอบขึ้นมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุดินทะเลาะกับน้ำน้ำทะเลาะกับไฟไฟทะเลาะกับลม สังขารแตกดับเลยนะในร่างกายข้อเราเนี่ยไฟมากเกินไปคือร้อนมากเกินไปเนี่ยคือออกอยู่ไม่ได้แล้วน้ำน้ำทุบผอดก็อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมดินน้ำลมเป็นลมบ้าหมูลมชักลมอะไรก็แล้วแต่เหะเป็นขึ้นมาแล้วช่วยไม่ทันก็ตายเหมือนกันดินน้ำลมไฟ เพราะฉะนั้นดินน้ำลมไฟแตกสามัคคีกันเมื่อไหร่คนก็ตายกันง่ายๆทื่อๆเลยนะเดินอยู่ก็ตายได้นั่งอยู่ก็ตายได้นอนอยู่ก็ตายได้เพราะฉะนั้นทาศรีเนี่ยต้องสามัคคีกันไว้ใครก็ตามที่ท่าศรีไม่สามาคัคคีกันแตกคอกันเมื่อไหร่าตายเอาง่ายๆเลยสมมติว่าเราปวดฟันปวดมากๆเลยเมื่อความรำคาญดึงทิ้งเลยไม่ไปหาหมอ เกิดอะไรขึ้นถ้าทําไม่ถูกนะประสาทฟันเสียแล้วจะเทือนถึงไหนประสาทสมองประสาทสมองเสียแล้วจะเทือนถึงไหนเป็นลำบากกันง่ายๆเลยนี่อันตรายมากๆใครไม่เคยตรวจฟันนะขอเจริญกรทให้ลองเคยดูสักครั้งนึงมันจะชาไปครึ่งซีกเลยนะปวดที่สุดในโลกแต่ละาถอนแล้วมีความสุดที่สุดในโลกเนี่ยฟันคืออะไร ดใช่ไหมส่วนนี้เป็นดินส่วนที่ขั้นเข็งทั้งหมดน่ะเป็นดินส่วนที่เป็นของเหลวทั้งหมดก็เป็นน้ําส่วนที่เป็นความร้อนเป็นไฟเผาผลานกฏอนะไรเฉพาะอาหารก็เป็นความร้อนเป็นไฟลมก็คือลมหายใจข้าวออกลมขึ้นเรื่องสูงล ม, ลมลงเรื่องตา่าลมที่อยู่ในร่างกาที่ผันหวนผ่านตามระบบอวัยวะต่ า, างๆนี่ก็คือลมทั้งหมดในตัวเราเราขาดลมดูสิ เนี่ยปิดจมูกไว้สามนาทีลองให้มันขานลมเราจะเห็นว่าถ้าขานลมแล้วจะเป็นยังไงร้ายยิ่งกว่าขานเดี๋ยอยื่นทุกชนิดนะท่าลมเนี่ยตายกันง่ายอันนี้เราจะเห็นว่าชีวิตขึ้นอยู่กับท่าสี่เพราะฉะนั้นต้องดูแลท่าสี่ของเราให้ดีท่าสี่แปรปรวนเมื่อไรเราก็แปรปรวนเมื่อนั้นเหมือนกันต่อไปชีวิตเลื่องอยู่ด้วยอาหารอาหารที่เรารับประทานเข้าไป รับประทานอะไรมากๆ ม, ม, มันกลายเป็นสิ่งที่สั่งสมเรียกว่ารับประทานไม่ถูกหลักโภชนาการเช่นรับประทานของดิบประจําเลยเนี่ยแหนมปลาดิบชอบมากๆทานประจําเท่ากับว่าเรากำลังสร้างฟาร์มพยาธในท้องเราต้องบอกว่าฟาร์มเลยนะเพราะมันมากันเป็นฝูงจริงๆลูกสิถามมาพระอาจารย์จะดูไหมล้วบอกว่าอย่างมาเลย นี่ดูใส่คู่แบบน้เป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเลยให้นักศึกษาได้ศึกษาอาหารทานอาหารที่เป็นมีกากมีสารพิษปนเปื้อนมากๆมันก็เข้าไปปนเปื้อนอยู่ในท้องในกระเพาะในลำไส้ในเม็ดเลือดดูสิวาไอ้ที่เราทานทุกวันนี้อาหารแดกดวนฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารจังฟู้ดเนี่ยทานมากๆคือแม่งโดนัลน่ะ ทานแน่นเดี๋ยวอ้วนตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ฟ้องกันนั่นใ น, น, าานเรืะไรเพรา อ, อะไรเพราะว่าอาหารขยะทําให้คนอ้วนก็ทําไมมันจะไม่อ้วนละ่ะทานแป้งทานแป้งเสร็แล้วทานน้ําอัดลมทานน้าอัดลมเสร็จมันก็ระบายก็ทําให้ต้องการหิวอีกอาบเข้าไปอีกแล้วไก่เนื้อไก่ไม่ใช่เนื้อไก่ธรรมชาติมันเป็นเนื้อแป้งเพราะอะไรเขาเลี้ยงไก่เนี่ยเขาเปิดไฟตลอดที่สี่ชั่วโมงไก่มันก็นึ่งกว่ากลางวัน หลอกไก่นะกินตลอดเลยแทนที่ปกติหกเดือนถึงจะไดเอามาปรุงเป็นอาหารได้สองเดือนน่นได้ขายแล้วไก่ไก่โตตามปกติหรือเปล่าไม่ใช่โตตามปกติโตเพราะสารอาหารสารเร่งความเจ็บโตและสารนี้มันผลิตจากอะไรล่ะก็ผลิตจากวัตถุดิบชิ้นส่วนองค์ประกอบทางเคมีชีวะซึ่งเป็นตัวยาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทานเข้าไปเยอะๆสิเดี๋ยวตาย ตายข้นส่งมีสารปนเปื้อนในอาหารของเราทําให้ชีวิตสั้นลงพระ บ, บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในทรงสเสวยเข้ากล้องนี่ทรงกลับมาหาของไทยนะกลับมาหาของไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่เด็กของเรากําลังแห่กันไปหาอาหารข้างนอกหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นเต็มไปด้วยสารพิษปนเปื้อน ถ้าเราไม่เตือนกันเอาไว้ต่อไปเด็กไทยในอนาคตจะได้รับสารอาหารที่ไม่ถูกสูขสาักษณะไม่ถูกต้องตามหนักโคชนาการเมื่อสารอาหารไม่ดีเนี่ยสติปัญญามันจะดีได้อย่างไงใช่ไหมร่างกายมันจะแข็งแรงได้ยังไงและตายพม้องด้วยจายแพงกว่าด้วยอันนี้คือวิเิรตการซึ่งตามมาโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นต่อไปชีวิต เราควรพิจารณาให้รู้เท่าทันโดยมองว่ามันไม่มีเครื่องหมายเนี่ยประการที่ อ, อกเนี่ยพิจารณามรณะสติโดยมองว่าชีวิตไม่มีเครื่องหมายคำว่าไม่มีเครื่องหมายคือไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่ปีเกิดมาปุ๊บอาจจะแท้งไปเลยก็ได้เกิดมาไม่เท่าไรอาจจะตายแต่ยังเด็กก็ได้รอดจากไ้เด็กมาจะมาตายไปกลางคนก็ได้รอดไปกลางคนมาตายไป ไว้อะไรไว้ไม้ใกล้ฝั่งก็ได้หลุดจากไม้ใกล้ฝั่งขึ้นมาเก้าสิบร้อยมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้กี่ปีกี่ขวบไม่รู้เลยไม่สามารถกะเกณได้บางคนบอกผมจะอยู่ให้ถึงร้อยปีเดี๋ยวนี้มีหลายคนประกศาศตั้งชมรมอายุร้อยี่สิบปีจะอยู่ให้ถึงไม่ยอมทำอะไรเลยเพราะอะไรกลัวจะพลาดตายซะก่อนที่จะถึงร้อยี่สิบปี เลยเป็นคนกล้ากลาตั ว, ต ว, ตวเพราะฉะนั้นทําอะไรระวังที่สอดเพราะถ้าไม่ถึงร้อยยสบปีเดี๋ยวหน้าแตกเองดิทุกโดยไม่จําเป็นต้องไปทุกนะไปหามาเองไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่ปีค่อยอ่านหลวงิจิตรวัการเขียนหนังสือเอาไว้บอกว่าจะอยู่ให้ถึงน่าจะเป็นร้อยปีนะเขียนหนังสือเอาไว้กําลังความคิดกําลังสมองอะไรต่งงงรางๆนาะนาะปรากฏ ว, ว่าท่านเคยอยู่ได้ไม่กี่ปีเอง แค่ห้าสิบต้นๆใช่ไหมประมาณนี้ก็ไม่ถึงร้อยนะนี่ขนาดประกาศไว้ในข้อเขียนเลยนะวันห้าฝึกตามที่ตำราที่ท่านเขียนแล้วนี่จะอยู่เป็นร้อยปีคนเขียนตำราไปเมื่ออายุห้าสิบกว่านี่แหละชีวิตมันไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้อย่ามากะมาเกนอุ้ยลูกเต็มที่แล้วนะแม่ยังไม่ตายหรอกเพราะฉะนั้นกก็เด็นเต็มที่นะแม่ต้องห่วงแม่ วางหูโทรศัพท์ปุ๊บแมหไวใจวายแล้วนีนี่ใครจะกะเกณฑได้ว่าฉันจะอยู่กี่ปีกีป่ปีมันไม่มีนิดๆคนที่คุยกันอยู่ระหลัดเห็นหน้ากันอยู่ระหลัดใครจะบอกว่ามันจะไม่ตายเขาบอกว่าเห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยใช่ไหมบ่ายยังรุ่นเรืองกายเย็นดับชีพนาวดูสิเย็นอยู่หยอกลูกด้วยข้ามมวยอาสัน ไม่เหลืออะไรเลยมันต้องตายอยู่ดีนี่แหละความตายพระ บ, บูไม่ได้ว่าฉันจะอยู่กี่ปีเท่านั้นเท่านี้ต่อไปไม่รู้ว่าจะตายด้วยโรคอะไรโรคที่จะตายก็ไม่สามารถเลือกได้บางคนดูก้างนอกใสไม่มีอะไรทุกอย่างเฟเฟกสมบูรณ์เอา้าข้างในดันเป็นอะไร น, นี่ไม่น่าจะเป็นก็เป็นบางคนนี่อยู่กลางทุ่งกลางนาอดกดอยากอยาก ไม่ป่วยนะบางคนอยู่ดูแลกันอย่างดีเป็นคุณหนูแน่สุขภาพไม่ดีเนี่ยโรคมันเคยเลือกคนไหมไม่เลือกเลยนะไม่ใช่บอกว่าอู้เราเกิดในรั้วในวงังเกิดมาเป็นลูกเจ้าขุนบุญนายครับรองจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคขาดอาหารโรคกระเพาะลำไส้นนี้ปรากฏว่าป่วยกันเลยเขาบอกว่าเกลียดอันไหนก็นเจอนั้นแหละอาจจะไม่พูดในเกลียด ขอโทษโดยส่วนตัวนะไม่ใช่เกลียดในที่นี้นะ่ะอาตมาแพร่เกลียบุรีเพราะอะไรยอมพ่อตามมาสู่บุรียอมแม่เสียชีวิตพระบุรีถุลงลมตป่งของเกลียดมากๆแต่ไม่ได้เกลียดคนสุบุรีนะเกลียบุรีวันหนึ่งไปวิปัสนากรรมฐานที่วัดธรรมวันสองเดือนได้อยู่ในกุฏิกับหลวงพี่ที่เป็นนักสุบุรีสองเดือน โอ้ยกลับมาวัดด้วยสภาพง่อมพระรามเลยไม่สู่ก็เหมือนสูบอะติดมาไม่รู้จริงหรือเปล่าที่เขบอกว่าเกลียดอะไรจะเจออันนั้นเนี่ยนะแล้วเราก็ได้โรคมาสิช่วงนั้นอนะัตมาภาพโรคทางเดินหายใจเนี่ยลมหายใจไม่ดีเลยกว่าจะหายอัตมาภาพนึกว่าเป็นภูมิแพ้แล้วนะใช่ไหมดึกดึกมาหายใจไม่ค่อยออกติดขัด เพราะว่าอะไรไปไปสูตรบุหรี่เข้ามาแล้วไอแล้วจามแล้วมีเสมหะตลอดเลยนะเป็นเวลาสองเดือนที่อยู่กับลวงพี่ที่ท่านสุดบุหรี่ต่มากลับมาวัดในเรียกว่าโอ้ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าที่ไปอยู่วัดอัมพวันกลับมาไม่แข็งไรต่อมาย้ายมาอยู่กรุงเทพพอมาอยู่วัดเบญจมัติปภิษอากาศโปร่งห้องหับสะอาดสะอ้านโปร่งใช้มีบริเวณกว้างขวางให้เดินให้อะไร พระกลัว่าโรคนี้หายไปโดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือเราได้สภาพแวดล้อมช่วยดังนั้นพระผู้ใหญ่หลายท่านที่ป่วยอย่างพระพรหมกุณาพรหรือท่านพระธรรมมาปีดกเนี่ยท่านนี้ก็อยู่ที่วัดนะตอนนี้ก็ไปพักที่สุพรรณหรือไม่งั้นก็ไปอยู่ที่ชาเชิมเซาอยู่ท่ามกลางหุบเขาไปอยู่สุพรรณก็ไปอยู่ริมตานะ้ำเพื่ออะไรเพื่อให้อากาศช่วยบำบัดด้วยดังนั้นท่านทั้งหลายที่สูงอายุก็ฟังเอาไว้นะว่า โรคบางโรคนั้นรักษาด้วยยาไม่ได้แต่รักษาได้ด้วยการอยู่ท่กากลสภาพแวดล้อมที่ดีเหมือนที่อาจารยเป็นนิดหนะนึ่นนงว่าถึเป็นภูมิแพ้ไปแล้วทุกวันนี้หายหมดเลยเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นดังนั้นถ้ามันรักษาหมดยาไปเป็นกรรมไม่หายนะลองเปลี่ยนที่อยู่ที่กินเปลี่ยนที่พักดูมีผ้ารูปหนึ่งอายุมากแล้วป่วยเป็นโรคหัวใจมาบวชที่วัดอัตนาภาพ ปรากฏว่าตอนนี้อยู่มาแล้วห้าปีโรคหัวใจหายเพราะอะไรแต่มาขามเชื่อว่าการที่อยู่ในร่มพระธรรมเนี่ยมันไม่ไม่ไ ม, มีการปะทะปัญหามันน้อยศึกษาพระธรรมวิเนัยนีปิติเบิกบางอิมอกอินใจได้เจริญสมาธิภาวนาความเครียดต่างๆมันลดลงไปนะแล้วมันในที่สุดมันหายจนหมอเขาสงสัย หรือหลายคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหมอบอกว่าสามปีไม่เหลืออยู่มาได้เป็นสิบปีก็เคยมีมาแล้วอาจารย์ขาเคยเจอมาด้วยเพราะอะไรก็เพราะพอป่วยปุ๊บเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยออกไปอยู่กับธรรมชาติเลยคือเราอยู่ในเมืองหลวงนี่มันเต็มไปด้วยความกางังวลคุณยมตื่นเช้าขึ้นมาพลิกหนังสือทีมาพ่อคมขืนลูกใจมันไปแล้วครึ่งนึ่ะหดหูใช่ไหมเปิดทีวีดู เอาอีกแล้วมีแต่ข่าวดา่าทอทะเลาะ ก, กันเมืองไทยหมดหวังใจหดหูอีกแล้วเนี่ยเราอยู่ในสังคมเมืองมันมีเหตุให้หดหูเยอะมากจริงๆแล้วเราก็ไปรับเอาสารพิษที่มากับข่าวสารจริงๆต้องบอกว่าข่าวสารลงเล็บพิษข่าวสารพิษมาตามโทรทัศน์มาตามหน้าหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นในบ้านปลายของท่านทุตรท่านนี้ไม่อ่านหนังสือพิมพ์เลิกเลยไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ดูโทรทัศน์ เลิกรับสารพิษใครที่เป็นผู้สูงอายุทั้งหลายนะใครที่เป็นคุณลูกทั้งหลายฟังไว้ก็ดีนะสารพิษต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากอาทางการหายใจจากสารคนจุ้นธรรมดามันมาจากสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี่แหละบานมีได้เห็นเพื่อนบ้านทะเลาะเบาแหวงกันเราไปไม่ยินได้ฟังเราไปรู้เก็บมาคิดทุกข์อีกนี่ก็เป็นสารพิษนะคือสารข่าวสารต่างๆที่มันมาแล้วมันมีพิษเจือปนเข้ามา เอารับเข้ามาโดยที่ขาดสติทุกทุกแล้วก็ป่วยได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันว่าสารพิษที่มาตามสื่อต่างๆทางําให้เป็นโรคได้เป็นโรค ก, กังวลเป็นโรคมองโลกในแง่ร้ายเป็นโรคหวาดกลัวสังคมหรือบางทีเป็นโรคหนองต่อกับใครไม่ติดมีสารพิษทั้งหมดต่อไปเราไม่รู้ว่าจะตายเวลาไหนเช้ากลางวันเย็นไม่รู้ว่าตายเวลาไหน ต่อไปไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนคือที่ที่เราจะทอดร่างสังขารลงนี้ระบุได้ไหมไม่ได้บางคนเป็นคนใหญ่คนโตตั้งใจว่าตอนฉันตายต้องตายอย่างสวยงามปรากฏว่าไปตายออกจากบ้าต่า ง, าางเมืองพระเทระหลายรูปในเมืองไทยไปตายที่พมา่าไปตายที่อินเดียในขณะที่กำลังไปนมัสการสถานที่สาคัญทางศาสนาอาจารย์แมอ่านประวัติของหลวงพ่อพระ พ ม, มาคุณนาพรองค์เดิมหรือบัที่อยู่วัดยาน า, นาวาพระพรมโมลีนะหลวงพ่อพระพรมโมลีอ่านประวัติและสังเวชมากๆเลยไปไหว้พระที่พมา่าพร้อมกับญาติโยมทั้งหลายพอไปถึงแล้วคณะทัวร์ก็ตั้งใจว่าจะไปกราบพระก่อนหลวงพ่อเหนื่อยขอขึ้นไปพักข้างบนพรุ่งนี้ค่อยไปกราบพระ กฏว่าท่านต่อขึ้นไปพักข้างบนก็หายใจติดขาดลูกศิษย์ก็เกรงว่าคงไม่เป็นอะไรมากก็เป็นอาการของคนแก่ก็พากันไปไหว้พระกลับมาอีกทีหนึ่งหลวงพ่อเสียแล้วคนที่เป็นผู้นําทัวร์หรือทัวร์เรียนเดอร์เขียนบันทึกเอาไว้อาตมาภาพอ่านแล้วเนเศร้าสลดเลยคือเธอรู้สึกเหมือนว่าพาหลวงพ่อมาตายทัว่วร์คนนั้นน่ะคนเลิกไปขึ้นเนี่ย อัตนาภาพถามโยมทั้งหลายว่าถ้าเราไปกับพระผู้ใหญ่แล้วพระผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าคณะทัวมรณภาพในต่างแดนยังจะมีแก่ใจเที่ยวอยู่ไหมหมดเลยนะความสนุกทั้งหลายหมดหน่อยบางทีรู้สึกเป็นตรา บ, บากกับชีวิตได้สัมบ่อยพาหลวงพ่อมาทายต่างแดนจเจ้าศพกลับประเทศก็ไม่ได้กว่าจะต่อสู้เอาส่งของขึ้นเครื่องบินได้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์อยู่เมืองไทยท่านเป็นพระมหาเถระ เจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินต้องมากราบเอาพวงหรีดมาถวายไปตายต่างบ้านต่างเมืองแค่จะหาลงใส่ศพก็ลำบากจะเอาศพขึ้นเครื่องบินก็ลำบากเต็มไปด้วยความติดขัดดูที่หลวงพ่อของเรานี่แหละคุณยองชโดยที่ว่าเราจะตายที่ไหนใครจะบอกลวกหนะ้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็จะเมื่อถึงเวลาจะตายขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นได้ทั้งหมด พระพุทธเจ้าเคยจอดกับภิกษุครั้งหนึ่งทรงชี้พระเดชินีลงไปที่แผ่นหนึ่บอกว่าเธอทั้งหลายผืนปฐพีที่เธอยืนอยู่นี้ไม่ไม่มีที่แม้แต่แห่งเดียวที่มนุษย์ไม่เคยทอดร่างทอดสังขารลงตายไม่มีที่ไหนแม้เพียงชั่วหยิดนิ้วเยไม่มีเลยที่จะรักนิ้วมือเดียว ที่เอามือแตะลงไปแล้วมนุษย์ไม่เคยตายทุกคนลุกแห่งมนุษย์เคยมาตายทับถมกันกระดูกที่คนมาตายบนผืนแผ่นดินนี้ถ้ามากองแล้วเนี่ยจะมากยิ่งกว่าภูเขาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกกองกระดูกมนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงไม่รู้ว่าเอ๊จะตายกันที่ไหนก็อย่าไปประมาทต่อไปไม่รู้ว่าจะตายแล้วไปเกิดที่ภูมิไหนอีกในภูมิทั้งห้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เปรตอสู ร, ร ก, กายสัตว์นรกเดรัจฉานมนุษย์เทวดาตายลงแล้วจะไปเกิดภูดมิไหนก็ไม่มีเครื่องหมายให้รู้ให้ะมองเห็นล่วงหน้าบางคนเห็นกันอยู่ดีๆตายปุ๊บไปเกิดในนรกบางคนเห็นกันอยู่ดีๆตายปุ๊บไปเกิดเป็นสัตว์อยางพระรูปหนึ่งเนี่ยพี่สาวชีวรมาถวายหลวงจีวรยังไม่ทันยังไม่ทันทนุน่งชีวรห่มชีวรตายเป็นพระตายก็น่าจะไปเกิดสุขติ ปรกากฏวตายเสร็จแล้วไปเกิดเป็นตัวอะไรตัวเล่นอยู่ที่จีวอนเจ็ดวันเนี่ยสัตชนิดนี้อายุสั้นพอพน้นเจดวันพระพุทธเจ้าถึงบอกให้อาจีวอนไปแบ่งกันใช้แต่เจ็ดวันนั้นพระพุทธเจ้ารู้ว่าเธอมาเกิดเป็นเลนเพราะอะไรด้วยความห่วงของพระนางมาริกาอาคารามมเหสีของพระเจ้าเปรตที่โกรสน เคยร่วมทาบุญยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งในประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์จะมีคนทําเช่นนี้ได้เพียงหนึ่งเจ้าภาพเท่านั้นคือถาวายอาสาที่สถานทางที่ไม่มีใครเสมอเหมือนร่วมกับพระเจ้าเประเซนที่กสุลท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าพอสิ้นพระชนแล้วถ้านนางมัลลิกาคนแสนดีคนนี้ไปตกนรกอยู่เจ็ดวันทาไมล่ะทาดีจนต้องตกนรกละ่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้ เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าคนที่เรารักคนที่เราอยู่เราเห็นตามตาว่าเป็นคนดีแสนดีเป็นคนร้ายแสนร้ายตายแล้วจะได้เกิดในภพไหนภูมิไหนก็บอกไม่ได้เหมือนกันพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยจะได้เกิดมรณสติมองเห็นความตายว่าใกล้ตัวหรือเกินต่อไปความตายเราพิจารณาโดยมองว่ามันมีกำหนดระยะการคือมนุษย์ต้องตายภายในร้อยปี เกินจากนี้ก็ไม่มากไม่น้อยไปกว่า น, นี้แต่ว่าตายแน่ๆภายในขอบเขตนี้ต่อไปประการสุดท้ายพิยจรนารณาโดยมองให้เห็นว่าชีวิตมีขณะเล็กน้อยขณะที่ชีวิตดำรงอยู่นั้นแสนสั้นชั่วรับนิ้วมือเดียวรับนิ้วมือเดียวท่านบอกว่าแท้ที่จริงเรามีชีวิตอยู่ชั่วขณะจิตเดียวนะั้นในทางพระอภิธรรมหรือในทางปรมัาพูดอย่างชั้นสูงสุดนี้ เมื่อจิตของเราเกิดขึ้นมาดวงหนึ่งนับนั่นคือเรามีชีวิตและพอจิตดับลงปุ๊บเราตายทันทีอันนี้แหละคือการเกิดตายชั่วขณะจิตเดียวเมื่อจิตเกิดขึ้นเรามีชีวิตเมื่อจิตดับเราตายเกิดดับเกิดดับมันหนึงหนึ่งเราเกิดดับกี่ครั้งกี่หนดับตายกันกี่ครั้งกี่หนให้พิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วก็น้อมมาสอนตนว่าแท้ที่จริงแล้ว เราก็กําลังตายกําลังเกิดกันอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตเมื่อท่านทั้งหลายได้พิจารณาเมรณสติมาโดยลำดับโดยวิธีการทั้งแป่ประการดังกล่าวมานั้นจะเกิดผลประการสำคัญก็คือหนึ่งรู้ทันธรรมดาว่าชีวิตนี้สุดท้ายมันจะตายนะ ดังนั้นเมื่อมีใครตายหรือมีเราเองจะตายนี้ก็ให้มองเห็นว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาเนาะให้ปลงให้วางรู้ทางธรรมดาแล้วสองไม่ประมาทเราก็จะไม่ประมาททากิจทุกอย่างด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพราะกลัวจะตายเสียในระหว่างเมื่อเกิดความไม่ประมาทก็จะส่งผลถึงข้อสามคือเร่งบําเพ็ญกุศลธรรม คนตัวตายเนี่ยหรือคนที่มองเห็นว่าความตายมันจาะคออยู่เนี่ยแน่นอนที่สดจะหันหน้าเข้าหาคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเป็นวิธีที่จะทําให้คุณงามความดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและประการที่สี่เป็นบาดฐานแห่งภาวนาชั้นสูงการเจริญมรณสติเป็นบาดฐานแห่งการเจริญภาวนาชั้นสูงถึงขั้นบรรลุ น, นิพพานได้เพราะอะไรเมื่อจิตสงบจิตเสงบก็สามารถบำเพ็ญต่อไปให้สูงขึ้นสูงขึ้นได้ แล้ประการสุดท้ายถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาติคนที่เจริญมรรคสติอยู่เสมอนี้ไม่เกิดในทุกขติทุกขติคืออะไรคือกำเนิดจากเดรัจฉานเปรตอาศรุรกายสัตว์รกเจริญมรรคสติอยู่เสมอวันละครั้งก็ยังดีรับประการพบหน้าได้เลยว่าไม่ไปเกิดในทุกขติแต่จะเกิดในสุ ข, ขติคือเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นอันนี้คือ พลานิสงหรือคุณประโยชน์ของการเจริญมรณสติในพระพุทธศาสนาจริงๆนี่มากกว่านี้แต่ว่าในครั้งที่แล้วธรรมภาพได้กล่าวสรุปให้เห็นภาพกว้างๆไว้ทั้งหมดแล้วในวันนี้จึงสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเราเจริญมรณสติเป็นประจำตามที่พระพุทธองค์รทรงแนะนําแล้วจะได้รับอานิสงส์อย่างน้อยๆหนึ่งรู้ทันธรรมดาไม่ตกใจเมื่อความตายมาพรากสองไม่ประมาทใช้ชีวิต ทุกขณะจิตด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมสามเร่งบำเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นบาฐานแห่งภาวนาชั้นสูงและห้าไม่ไปเกิดในทุกขติตหลังจากล่วงลับดับขันไปแล้วที่บรรยายมาทั้งหมดก็คือสาระสำคัญของสุติยามรณสติสูตรหรือพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่สองอาตามภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่บรรยายมาทั้งมดนี้ คงจะเป็นประทีศนำทางให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาแล้วภาคเพียรเรียนรู้ที่จะเจริญมรณสติเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตกันให้ยิ่งย่งขึ้นต่อต่อไปในท้ายที่สุดแห่งธรรมกักถาวันนี้ขออังอิงเอาคุพระศรีและตรละจงมารวมการเป็นตบะเดชพละวะปัจจัยปกปรกรักษาท่านทั้งหลายให้ประกอบไปด้วยจตุรพิธัร์คืออายุวันณนะสุขภะละ ต่อแต่นั้นหากราถนาหรือทำสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้วยชอบประกอบไปได้วยทำแล้วไซขอจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จสมดังมนโนรถทุกสิ่งทุกประการเธอ